อาจารย์ครับการนมัสการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโอพระอาจารย์ครับเสียงภาพชัดมากเลยครับโอเคเลยครับพระอาจารย์โอเคนะครับผมก็เจอปัญหาไปก็ช่วยไม่ได้นะครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่สองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับอาจารย์ครับเมื่อเช้าพระอาจารย์ปแตบินทบาทกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือยังครับอาจารย์ครับ ก็ห้าห้าร้ยกว่าห้าร้อยสาสิบสามคนอันนี้ก็เพะเกินปกตินีหน่อยปกติมันสี่ร้ยกว่าสีครัสิบครั บ, รบแล้วคนฟังทำเยอะไหมครับอาจารย์ครับซึ่งตอนบ่ายประมาณร้อยเจ็ดสิบที่เข้ามาดรดยกันก็แปดร้อยหกสิบกว่าทั้งที่บ้านด้วยครับก็บพอสมควร <c oughs> โอ้แต่ตอนปีใหม่นี่นิวไฮแล้วนะครับอาจารย์ครับเกือบพันสี่ร้อยขาดสมคนอาสามคนครับผมยครับอาจารย์ดูเะขึ้นเรื่อยๆดูเยอะขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์แต่เหยแล้วสองชั่วโมงกว่ากว่าจะเสร็จเป็นธรรมดาครับผมผมนอนกันไหมกับมย้อนนั้นผมไม่ได้นะครับอาจารย์ครับ มัน ม, มีความสุขครับมันก็เลยไม่เหนื่อยครับอาจารย์ครับมันเพนนะัเจอบบคนเยอะคนก็นทักทายกันครับอาจารย์ครับเป็นการเปิดตัวคนได้เห็นตัวจริงตก <c oughs> มันมีหลายคนเข้ามาทักบอกได้เห็นตัวจริงแล้วอย่างเงี้ยครับรอาจารย์ <c oughs> ครับผมอาจารย์ครับก็เลยปีใหม่มาครับหลายคนก็ ตั้งใจอธิษฐานปีใหม่ครับวันนี้ก็เลยกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วอธิษฐานนี่คืออะไรแล้วเราจะตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลครับอาจารย์ครับกับขอความเมตตาครับอาจารย์คือขารอธิษฐานมันอีกสองความหมายทางโลกกับทางธรรมทางโลกมักจะแปลว่าขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เป็นนี้กิจการก้าวหน้ารุาง่งเรืองกับิีที่แล้ว น, นี่เป็นเรื่องของทางโลก คือจะไปจะไปขอที่ผลโดยที่ไม่มีไม่มีผลเพราะผลมันจะเกิดต้องมีเหตุใช่ไหมแต่ทางธรรมนี่ให้ไปขอที่เหตุอธิษฐานแล้ ว, ว่าตั้งใจตั้งใจจะทําอะไรอย่างหนึ่งเช่นอยากจะให้สุขภาพดีขึ้นก็ตั้งใจจะเลิกดื่มสุราอสุขภาพมันจะดีขึ้นผลมันมันมีเหตุมีผลตามมาทางธรรมก็แบบนี้ทางธรรมก็คือเราต้องตั้งเหตุ ตั้งจิตตั้งใจที่เหตุว่าจะทำอะไรเพื่อให้เกิดผลที่ดีตามมาอย่างด้านนิพพานก็ตั้งวาอาไปนี้จะปฏิบัติทมถือเส้นแปดภาวนาไม่ทำกินอย่างอื่นอยู่ที่ลาออกจากงานทุกอย่างนะครับอย่างที่เราตั้งไว้เมื่อขาวเมื่อสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะ่รใหม่นี้มันเริ่มต้นปีหม่นี้นะพลางงานที่สาสิบเ็ดวันสุดท้าย พอที่หนึ่งเราก็เล่าเก็บตัวอยู่บ้านรักษาสิ้นแปดเดินโยกมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธ ร, รรมะเนี่ยคือนี่คืออธิษฐานตั้งใจจะทําอะไรเพื่อให้เกิดผลอย่างไรตามมาที่หนึ่งถ้าอยากจะให้เกิดผลเราต้องเราต้องตั้งที่เหตุเราต้องรู้ว่าเห็นนุนี้ถ้าถ้าทําแล้วจะได้จะได้ผลอะไรบ้าง เมืนอนคุณหมออยากจะเป็นแพทย์คุณหมอต้องตั้งเหตุว่าจะต้องไปศึกษาต้องเดินเดินให้คะแนนดีๆให้สอมเอ็นทนให้ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ตั้งตั้งอันนั้นก็อธิฐานนะคือความตั้งใจถ้าอยากจะเป็นหมอแต่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเนี่ยมันจะเอ็นได้หรือเปลมันไม่ได้นะครับอันนี้ท่านที่ใขรอยากจะได้ไดอะไรก็ต้องดูที่เหตุว่า สิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นนี่คืออะไระเราก็มุ่งไปที่เหตุ่ระพุทธเจ้ า, อ, าอยากัดเซลล์เป็นพุทธเจ้าเราตั้งตั้งที่อย ต, ต้องภาวนาทั้งอะไรตั้งเหตุตอนที่นั่งอ ใ, ใต้ต้นโพธทั้งตั้งอิฐานอธิษ่ะนั่งเราเป็นจกรรุถ้าตัดใจจะปนแมนั้นเรื่องในร่างกายจะเหิแท่นไปก็จะไม่รู้จักที่นั่ันนี้ไป เป็นหลักฐาอันนี้นะคืออธิษฐานแล้วก็มีสัจจาด้วยเือพูดจริงทําจริงคิดจริงทําจริงไม่ใช่คิ ด, คด เ, ร เ, เรื่นคิด <c oughs> เป็นให้จะลางเหนืชั่วเลาพอเพื่อนมาช่วไปงานเลี้ยงอะไรก็เปลี่ยนใจอย่างเงี้ยเรียกว่าไ่ไม่มีสัจจาถ้ามีสัจจาแล้วตั้งใจจะทําอะไรต้องต้องทําให้ได้ไม่มีการ ล, ล้มเหลวไม่มีการเปลี่ยนใจถึงจะสามารถทําอะไรได้ อารที่เราต้องตั้งใจเพราะว่าใจเราชอบลงเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ตั้งใจถึงเวลาเราก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้คืนนี้ยถ้าถ้าไม่ได้ตั้งใจมาฟังทำคืนนี้ก็ไม่ได้มาฟังก็ได้อันจะตั้งใจมาแต่พอดีเพื่อนโทรมาชวนไปทำธุระหรือเป็นอะไรทั้งอย่างนี้ก็เปลี่ยนใจในบางทีไม่ได้ตั้งใจไม่เลยก็ไปไปได้เออคนมาถามว่าไม่ตอนนี้แล้วก็บอกว่าว่า แต้าเราตั้งใจว่าเราจะทําเพ็ญพอคนใครมาช่วยก็บอกตอนนี้ไม่ว่างนะตอนนี้จะบำเพ็ญการตั้งอธิษฐานนี้มีไว้เพื่อบังคับใจให้เราทํำกิจที่เราอยากจะให้มันทําถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็จะมันก็ฟรีอ่ะมันก็จะจะทําอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้แตใจเราส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้มันฟรีมันมน่าจะไปทําทาำกิเลสกันใช่ไหมเอดูดู youtube ดีกว่า ทำอไรดีกอแต่ถ้าเราบอกว่ามันตอนนี้สองทุ่มเราจะมาความเทศคํามธรรมกันทำไมถูกบังคับแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของอธิษฐานก็มีแค่นี้แหละเมื่อมีอธิษฐานแล้วมีสัจจะตั้งใจแล้วไม่หลองลงตัวนองต้องทำตามที่เราตั้งใจถ้าจะทําได้ก็ต้องมีวิริยะคือความเพียรวันนี้ตั้งใจจะทําแต่มันมาทําได้แค่ห้านาทีก็ขอเลนะิกมาทำสมาธิได้ห้านาที จิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านนั่งแไม่มีความสุขก็อยากจะเลิกขึ้มนมาก็อาจจะเลิกได้ไม่ทำไม่ทำต่อความเพียรน้อยแล้วก็ที่เรียกว่ า, า จ, จะไม่มีคันติดความอดทนถ้าเราทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีมันก็จะต้องพันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหมืนกับการขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นญากของอยากถ้าไม่มีความ อดทนไม่มีความเพียรนี่มันขึ้นไปบนถึงยอดไม่ได้มันไม่เหมือนการเดินลงเขาเดินลงเขาที่มันสบายการทําความดีมันจะเป็นเหมือนการขึ้นเขาว่ามันทวนกระแสของกิเลสแต่การการการกระทําความเชื่อและการกระทําตามกิเลสนี่มันง่ายเพราะกิเลสมันสนับสนุนแต่ที่ไม่สร้างอุค์ประสาทปิดความ ดังนัถ้าเราต้องทําความดีเราต้องยอมแล้วเราจะต้องต้องเจอกับปัญหาของประสาทต่างๆไม่มากก็น้อยถ้าเราไม่มีขันติความอดทนไม่มีวิริยะความมุส า, ารเราก็จะไปไม่รอดสรุาว่าคือต้องมีทั้งสี่สี่อย่างมีมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะแล้วก็มีขันติถ้าเราทำสี่อย่างนี้น รับประกันน้ว่าจะทำอะไรก็ทำได้สำเร็จไม่ว่าทันหรือ่ทั น, นครับพระอาจารย์ครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนี่คือพระอาจารย์ตั้งตั้งอธิษฐานไว้นานกว่าถึงวันที่สามสิบเ็ดธันวาไหมครับพระอาจารย์คือเร า, งงา 1, 6, ทำงานอยู่ปีไปช่วงครึ่งปีไปหนึ่งบอกเนี่ยทำงานอยู่แล้วได้มาฝึกสมาธิในช่วงประมาณสัก ส อ, สองเดือนก่อนที่จะสิ้นปีเนาะนาแล้วมันก็ได้ผลดีมันได้ความสงบได้วความสบแล้วมันก็เห็นผลของการทํางานกับการภาวนาไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าละปฏิบอกเขาให้เขารู้ต่้งหน้าหนึ่งเดือนอ่าสิ้นปีเราจะออกนะจะไปปฏิบัติธรรมเข้าไปอนุญาต เราก็ดวพระศุกรปีระธานเฉลก็ฉลองว่าันสุดท้ายฉลองทงโลกเลยไปเลยสุดท้ายปีกับวันนกักปีใหมครับพ อ, อถึงหนึ่งมกราก็เก็บตัวแนละ้วไม่ติดต่อใครไม่ยุ่งกับใครอผมอยู่บ้านส่วนใหญ่ยอยู่บ้านแต่บางทีก็ออกไปหาที่ชมุมในมุมต่างๆเพราะแถวพัดทยาสมัยนั้นมันคนไม่มากาชายหาดนี้บางบางชายหาดนี้จะไม่ค่อยมีคน เราก็ไปนั่งสมาธิสชายานเลยตากแด ด, แ ด, ดไปนวยอาแดดไปนวยนอนก็เาไปแช่ในน้ำสบ <c oughs> ั้งทางโล ก, กสบสองทางธรรมยังได้อาแดดยังได้แชน่น้ำทางกายจายก็ได้นั่งสมาธิในตัวที่หาดพัทยา อ่าพัทยามันมันมันมีรลายหาไม่ใช่ไม่แยกตัวหาใหญ่นะตัวมันจะมีหาเล็กหาเน้อยที่อยู่ข้างๆมันมันมันมันไม่มีถนนเข้าไปมันเป็นเป็นหาที่จะเป็นของมีคนมีบ้านอยู่อย่างนี้แล้วรถเข้าไปคนจะไปเที่ยวมันไม่น่าแล้เป็นที่ส่วนต๊ะนะฮไม่ที่บางทีก็ไปที่เกาะร้านเลยก็มีไปหาไปนอยเกาะร้าน อยากจะเปอยู่ที่มันเปลี่ยวๆที่มันเยี้ยเงียจริงๆนึง่งว่าอยู่บ้านมันรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นธรรมชาตินะไปก็เอากล้วยไปวีงเอาซ้อมไปกิโล <c oughs> รกล <c oughs> ระน้ำเกยดการมีกวารสุขมากครับให้เดียว ก่อนเลยโดยสายเข้าไปเลยที่เขาพาเราเขาเที่ยวไปนี่จัดคนขับก็ขอก่อนเข้าไปมีความสุขเพราะเป็นได้สัมผัสธรรมชาติด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีความสงบที่อยู่คนเดียวมีคนเดียวทําจิตให้สงบมันง่ายมันสบายว่าที่จะอยู่คนอื่นแล้วไม่มีภาระกิจอะไรต้องทําอะไรนั่นเองเดี๋ยวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ไม่ค่้วยมีมีส้ม ที่เราถ้าพออยู่ได้สองสามันนะครับแล้วช่วงนั้นป้าจาย์ต้องอ่านหนังสืออยู่บ้างไหมครับช่วงที่ไปก่อนเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้หนังสือไปนะรู้แล้วรู้แล้ต้องทําอะไรไมัต้องจารันสติต้องนั่งสมาธิอ่าช่วงที่อยู่ในบ้านช่วงนั้นยังช่วงใหม่ๆยังต้ออ่านหนังสือเลยยังไม่เข้าใจในแบบของแท้ว่าต้องทําอะไรบ้างก็อ่านหนังสือสลับกับการนัน่งเดินจงกรมไ ล้าทำกิจในบ้านทำวางจานาบ้านบ้านถูม้านอะไรไปได้ฟังประสบการณ์พระอาจารย์แล้วมีกำลังใจนะครับพอพระอาจารย์ได้ถ้าเรามีวามถ้าเรามีอาทิตถ้าเรามีความยินดีในโน้แห่งครรมชิชโนโน้ตทางปวงขอให้สัมผัสความสงบสักครั้งเดียวเถิดคณิกาเนี่ยหละงรับเดียวนี่แค่มืห น, น้าเ่นกมันก็ได้ดูหนังตัวอย่าง หังตัวอย่างกับนันิพานเป็นอย่างไรอ๋อนาจิตสงบมันมีความสุขอย่างนี้เองมันว่าทจย์ใจแล้วมันดื่มๆใจมันจะทำให้เห็นว่ารถแห่งธรรมยิ่ชนะรถทั้งปวงจริงๆเชื่อ <c oughs> ชัดเจน <c oughs> ทำงานไปเดินไม่กี่พันเหนื่อยแทบหายเงินงไม่กี่พันนี้เอาไปซื้ออะไร ก, กินได้บ้างใะ ซึมเนสระที่จิตสงบบนเดียวมันยิ่งกว่าถั่วตะลุรางวันที่หนึ่งเลยความสุขที่ได้มันสมงมากกว่าความสุขที่ไดจากการถั่วตะลียรางวัลที่หนึ่งคราทำไม่ได้หักเสถียดีขอให้ได้ถูกแจ็คพอตที่ครั้งเดียวติดใจครับผมกล่าวขอบพระคุณพราจาย์ครับ อาจารย์ครับโดยสรุปคืออธิษฐานนี้เป็นเหตุมากกว่าผลใช่ไหมครับให้อธิษฐานได้เหตุให้อธิษฐานได้เหตุไ่ว่าเราจะอยากต้องการเราลังไปดูเรื่อเหตุที่ทําให้เราเป็นเกิดสิ่งที่เราต้องการนั่นคืออะไรอยากจบแพทย์ก็ต้องขยันเรียนหนังสือทำเกณฑ ด, ดีๆเอินทันก็เข้าเข้ามาหลาลัยแพทย์ได้ถ้าขี้เกียจชอบเที่ยวเล่นกับเพื่อนนี้เกียจแค่สอจุดนี้ก็อย่าไปอธิษฐานเสีเวลาขอให้เรียนแพทย์ได้ เข้าไม่ได้น้ <c oughs> ่งดูที่เหอธิฐานที่เหตุครับอาจารย์ครับมีคนถามว่านั่งสมาธิครับแล้วน้ำตาไหลเป็นเพราะว่าจิตไม่นิ่งใช่ไหมครับคือมันมีมันมีเหตุการณ์อย่างต่างเยอะแยะไปหมดในวิธีปฏิบัติกรรมนก้อย่าไปสนใจมันได้มันพยายามหลอกล่อให้เราเราสียสมาธิไม่ให้เรามีไม่ให้มีสติอยู่กรรมฐ า, าน ต้องหมายของเราก็คือเราต้องมีสติอยู่กรรมฐานอย่างเดียวอะไรจะปรากฏอย่างตามไปมันจะมาดึงหลอกให้เราออกจากกรรมฐานให้ได้คันตรงนั้นมากคันตรนี้บ้ากอยากจะเกินน้ำลายมากน้ําตาไหลบ้ากละสาระตานาปัญหาที่จะปรากฏขึ้นมามีเสียงเข้ามามากอะไรบ้างมีรูปปรากฏขึ้นมาบ้างอยอะแยะไปหมดเรานั่งสมาธิถ้าไม่มีสติเนี่จิตมันจะปรูแต่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา เราต้องมีสติพอสมควรสติที่จะผูกใจให้อยู่กับกรรฐานไว้ตลอดเวลา้าอยู่พุโทโธพุโทโธไปน้ำตาไหลก็พุโทโธต่อแบบไม่น้องสนใจคันตรงนั้นกันตองนี้ก็พุโทโธไปหันจะคืนน้ำลายก็พุโทโธไปอย่าไปสนใจเก็บตรงนั้นปวตอนนี้ก็พุโทโธไปแค่อยู่พุทโธไปอย่างเดียวไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้น เหมือนกับว่าเคยเคยยกตัวอย่งางมาเหมือนกับเป้าเฝ้าแฟนเราเลยไม่สนใจเลยนารนี้ท่านใหม่นี่ไม่จะไม่ไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมขอให้เฝ้าดูแฟนเพียง อ, อย่างเดียวเนี่ย <c oughs> ขอให้เราถือกรรมฐานเป็นแฟนของเราพุโทโธเป็นแฟนของเราก่อนก่อนพุโทโธให้นั่นเลยหรือถ้าดูบองก็ก่อนดูลองให้นั่นเลยอย่าปล่อยให้ไปที่อื่นถ้าทํานี้ได้ห้านาทีมันก็ลงได้ สัมปชัญญะสติสัมปชัญญะห้านิธินี้สามารถุได้คุณแว่นครับถามว่าบุญเกิดจากการให้ทานเช่นใส่บาตรพระตอนเช้าบริจาร่างกายเทียบกับบุญที่เกิดจากการภาวนาเช่นนั่งสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธอย่างไหนทําแล้วจะได้บุญมากกว่ากันครับถ้าเป็นความสุขแล้วความสุขจากสมาธินี่มันสูงกว่าความสุขจากการรักษาศีลการทําบุญทำทาน มันเป็นข้อระดับกันนะระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมระดับปริญญาเนี่ยมันมันต่างกันแต่ความยากง่ายมันก็ต่างกันด้วยทาบุญทำทางนี่มันง่ายที่สุดเนี่ยรักษาศีลก็ยากขึ้นมาหน่อยตั้งสมาธินี่ก็ยยากยิ่งใหญแล้วใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์ตายแล้วอนิจจสัตว์สิเพื่อยึดละกิเลสตัณหาความอยากนี่ก็ยิ่งยากใง การนั้นการหยุดกิเลสนี้ไม่แยกสองได้ไดนะคุณก้อยครับอยากรู้ว่าชะตากรรมหรือชะตาชีวิตกับการทําปัจจุบันอันไหนจะมีผลต่ออนาคตเราที่สุดครับเพราะเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์เหมือนท่านจะรู้ที่มาที่ไปของท่านถ้าเราเกิดชาตินี้มาพร้อมกับชะตาชีวิตที่ไม่ดีเช่นจะอายุสั้นแต่การกระทําในปัจจุบัน เมื่อเราทําดีในปัจจุบันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตในอนาคตเราได้ไหมครับได้นอนที่เราตายไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะถ้าเราทํามุนมากกว่าบาปเราก็จะไปสุคติถ้าเราทําบาปมากกว่ บ, บุนมันก็จะไปทุกคติอยู่ที่บุญที่บากที่เราทำว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากัน คุณแมนครับความสุขชั่วคราวหรือชั่วครู่ธรรมชาติไม่ยอมรับยังไม่ได้ปรองมาสุขอย่างนี้เรียกว่าความสุขไหมครับความสุขมันยังมีสองแบบความสุขทางธรรมและความสุขทางโลกความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นความสุขทางโลกเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอเป็นความสุขประเดียวปะเดาไปเที่ยาก็สนบกกันเช่ฉลองปีใหม่เกินฉลองปีใหม่ก็เอะฮะกันมันนี้ผ่านไปแล้วหายไปแล้ว ปล่อยให้เราอ้างว้างปล่าเปี่ยวเดียวไดายแต่ความสุขทางทรรมนี้มันจะมันจะอยู่กับใจเราหลังจากที่เราได้มาแล้วมันก็ยังไม่หายไปมันจะไม่ปล่อยให้เรารู้สึกอ้างว้างปล่าเปี่ยวมั น, ม, นมันต่างกันความสุขทั้งโลกกับทางธรรมความสุขทง้ทงทรรมนี้มันจะสะสมมาในใจเราให้เพิ่มมีมากขึ้นมากขึ้นทําให้เอ่อทำให้ ความรู้เสร็จในใจเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมไปตามลำดับไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่ไปสนุกกันเยอะเดียวพอพอเลอกก็หมดไปจากหายไปมันคนไปคุณดาครับถามว่าสวดมนต์ข้ามปีได้บุญหรือไม่ถ้าได้จัดว่าอยู่ในข้อใดครับบุญยร ก, กริยาวัตถุสิบอย่างครับ ก, ก็เป็นการปึกเสดงเป็นการภาวนา จะได้บุญไม่มากนักอยู่ที่เาจะได้ความสงบด้วยอย่างถ้าจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิก็ยังไม่ถือว่าสําเร็จประโยชน์บุญยังไม่เกิดได้ก็แค่ความเพียรพยายางที่ยจะสร้างบุญแต่ยังไม่บุญยังไม่สําเร็จมันยากที่จะบุนที่จะได้จากการสวดมนต์เพื่อให้จิตรวมเป็นสมาธิมันมันท่านจะไม่ได้มันได้แค่เพียงแต่มีสติ จนมันได้ให้ใจรับความผุ้ช้านี้ได้เมีคุณเล็กถามบอกว่าช่วงนี้ดูแต่พวกคลิปหมาแมวจรจัดครับอาจารย์ถ้าเมื่อจิตสุดท้ายมาถึงหากนึกถึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะไปสู่เิรัานไหมหากไม่มีสติระลึกพุโทโธครับไม่ไม่ไม่ไม่เป็นประจานไม่เป็นมันไม่เป็นประเด็นที่จะไปกำหนดว่าเราจะไปเหนือไปใต้ไปสุคติหรือไปทุกขติ มันอยู่ที่ผลของผลของบาปของบุญที่เรารวบรวมทำล้ ว, ว่าฝ่ายไหนจะมีเป็นกำลังมากกว่าถ้าบุญมากกว่าเราก็จะไปสุขกติถ้าบาปมากกว่าเราก็จะไปทุกติคขอแนวปฏิบัติธรรมในช่วงปีใหม่จากอาจารย์พุทาขออภัยยิ่งหากอาจารย์ได้สัตย์ยายต่อหน้านี้ครับ ก็คืออยู่กับกำลังของเราไงว่าเราอยากจะปฏิบัติได้มากบางมันก็มีสามระดับระดับทาตระดับสีระดับภาวนามก็มีการปฏิบัติทำเหมือนกันแต่ที่ที่เป็นการปฏิบัติทำจริงๆก็คือการภาวนาถ้าเราจะภาวนาเราก็ต้องถือสี่งแปดอย่างน้อยเราก็มีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่นั่งแค่วันละทั้งสองทั้งอันนี้ยังไม่ อันนี้เป็นการแบบชิมลามทุสอบไ ป, ไปก่อนทด่อไปก่อนถ้าอยากจะปฏิบัติดาวให้มันเป็นเป็นเกาะเป็นกรรมมีน้ำมีเนื้อเกิดขึ้นนี้ได้ต้องปฏิบัติอย่างตอนนี้ทีนวันพร ะ, พระหรือวันหยุดทำงานนี้เราจะไม่ทำภารกิจอย่างหนึ่งหน1งวันหนึ่งคืนให้เวลามากับการรักษาสิ่งแลแล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิไปทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวแลานบบทาได้ไละ แตในคนที่เขไปปฏิบัติทําตามนํางจำนั่งทำตาแล้วก็ทำกันอย่างเนี้มาไปสถานที่ปฏิบัติธรรมเขาก็จะเอาแขงเขาว่าให้อยู่คนเดียวแล้วก็เอาเลยเอาให้เต็มที่เลยเป็นโยมก้มนั่งสมาธิทั้ทงวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับยกเว้นเวลาที่ต้องไปทําธารกิจเช่นกินรับประทานอาหารหปืัดขวานอะไรทำนองนี้แต่ก็ต้องมีสติทุกเวลาถ้าัประทานอาหารก็ต้องมีสติทํางาน ประกอบก็ต้องมนสติของการทางานไม่ปล่ยให้ใจคิดฟุ้งซ่านคุณรุจจภาครับท่องธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วเห็นกายเห็นปากขยับท่องมนต์เองโดยจิตเป็นผู้ดูทรงตัวอยู่โดยไม่ต้องไปคิดว่าจะท่องอะไรต่อไปร่างกายทำเองไปเรื่อยๆอันนี้เห็นคือจิตเห็นจิตไหมครับหรือเป็นสมาธิไหมครับเป็นอก็จิตเห็นกาย เนเ็กคุณนัฐพรบอกว่าอยากไปกราบท่านพระอาจารย์ครับและไปวิปัสนาควรทำอย่างไรไม่เคยไปวิปัสนาที่ไหนเลยครับเคยทำวัาเราไม่มีคอร์สไม่มีไม่มีการจัดโปรแกรมให้ผู้ปฏิบัติใหม่ปฏิบัติอันนี้ทำวัดนี้สอนยี่จำสหลับปฏิบัติส่วนตัวตัวใครตัวมัน เพราะฉายงไม่รู้จักวิธีปฏิบัติอาจจะต้องไปเข้าคอร์สตามลำล่างต่างๆก่อนนี้ก็จัดสามวันห้าวันเจ็ดวันก็เรียนรู้วิธีปฏิบัติเย่างย่งผมนั่งสมาธิมาทำอย่างไรก่อนจนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามลำพังของเราได้แล้วถึงจะมาที่นี้จะจะได้ผลได้ประโยชน์ก่อนถ้ามาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรมาอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยเราจะทำอะไรหรือว่านั่งคิดต่ผีผีผีมากผี <c oughs> คนรุ่นหลังทราบได้อย่างไรครับว่ามีพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนครับเคลื่อท่านด้วยด้วยคําสอนพระพุทธเจ้านะมีศรัทธาความเชื่อพระพุทเจ้าเป็นคนที่ไม่โกงใครอ่จะจริงไม่จริงก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วแ ต, แวแต่แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนที่จะวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ได้ยังไงจะไม่เป็นประเด็นสําคัญ ตลอดการปฏิบัติตามคําสอนว่าศาสนาเพื่อใหกคนจพ้นจากความทุกข์นี้ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามีพระเจ้าหรือไมยที่ในานดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่จะมาใหม่ขอให้รู้วิธีดับความจุกข์ได้ก็พอคุณหนิงบอกว่าขอแนวทางของจิตสุดท้ายให้ระลึกถึงอะไรครับอะไรก็ได้ที่ทําให้จิตเราสงบจะพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ เราต้องมาทําต้องซ้อมไว้ก่อนมันไม่ใช่ไหมันไปทําตอนที่ตายนั้ตอนที่จะตายมันทําไม่ได้แล้วตอนนั้นอาจจะตกใจใครมาป้อนมันจนมาป้อนมันเอาปืนมาจอที่ผัวนี่มันจะมามีสติได้ไงจะมันต้องซ้อมไว้ก่อนเหมือนนักกีฬาที่จะลงแข่งการโอลิมปิกเนี่ยมันต้องซ้อมเป็นปีเลยนะวิ่งผ่านเสือวิ่งร้อยเมตรนี่เขาต้องวิ่งกันไม่รู้กี่กี่ครั้งกี่รอบแต่ท่านเขาชํานาญพอก็ลงสนามก็จะได้ไม่ตื่น กระกทําหน้าที่อของเขาเลยอันนี้ก็เหมือนกันนี่ที่มาฝึกสถีนรสมาธิเขาเพื่อเตรียมพร้อมกับสำหรับจิตสุดท้ายนั่นเนองจิตสุดท้ายก็ทำใจให้สงบให้เป็นใช้สมาธิได้ก็ดีหรือใช้ปัญญาได้อย่างดีปล่อยวางพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาแล้วแต่ว่าเราจะฝึกซ้ำมาในระดไหน ถ้าระดับสติสมาธิแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปส่วนมรรคไปทําใจให้นิ่งให้เฉยแล้วใช้ปัญญาก็สอนให้ปล่อยนะรการที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเนี่มันไม่เที่ยงห้ามมันไม่ได้มันจะต้องตายอันนี้เราถอ น, อนด้วยปัญญาถ้าถ้าปืนจาะหัวนี้ก็ไม่พุโทโธก็ทิ้งเลยใช่ไหมครับอาจารย์เราจะวิ่งวิ่งยัแล้วเป็นเราคนเป็ น, นเรา <laughs> เฉย ตื่นรอเป็นนมดีกว่าเวลาที่นั่งสมาธิแล้วครบเวลานาฬิกาจะดังครับชอบสะดุ้งและตกใจจะต้องแก้อย่างไรครับไม่ต้องแก้ลมันก็เป็นภาวะของจิตที่เวลามีอยู่อยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วมีเสียงอะไรดังๆมากระทบมาจะมีปฏิกิริยาก็ให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันมันไม่มีความเสียหาย ปิดปีใหม่หลายวันทําให้จิต ใ, ใจสงบเพราะไม่ต้องไปวุ่นวายปัทะกับผู้คนวิธีการทํางานด้วยกันเองแต่พอทุกอย่างจะกลับมาวิธีทํางานความวุ่นวายก็จะเข้ามาแทนปกติอย่างนี้ถือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับต้องเตรียมใจรับถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับได้โลกกรรมก็มีขึ้นมีลงนะมีสุขมีทุกข์สลับกันไปวันพระ ถ้ารับสินแปดจากครูบาอาจารย์ได้บุญมากใช่ไหมครับไม่หนระัก ม, มันต้องรับสินจากใคก็ได้ให้ร้ว่าสินแปดเป็นอะไรท่านเองแล้วรักษาถึงจะได้บุญบุญนี่ได้จากการรักษาไม่ได้บุญจากการที่เราไปรับสินแปดจากคนนั้นคนนี้สินนี้ไม่ต้องรับที่เขาให้นี่คือเป็นการสอนกันเลยถ้าเราไม่รู้ว่าสินแปดมีอะไรแล้วก็ไปขัดถามพระว่าผมอยากจะรักษาสินแปดมีอะไรบ้างครับช่วยบอกผมหน่อย ท่านก็จะให้ศีลเรามาท่านก็บอกนี่มันเปนกลายเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมไปแล้วทำไปโดยที่วา่าเราจะมีศีลแน่ต้องมีพระให้พรให้ศีลก่อ น, นไม่ใช่หรอกตอนที่เราปฏิบัติเราไม่เคยเจอพระเลยแล้วก็อาหนังสือธรรมะธรรมะบอกศีลแปดนีแบบนแ้แล้วก็ทำตามไป พร้อสั่งอเมริกาบุกยึดเวเนซุเอลาถ้าเกิดสงคารามโลกครั้งที่สามจริงเราควรเตรียมใจเตรียมตัวอย่างไรครับเตรียมตใจเลย <laughs> คุณเป๊ปครับถ้ามีเงินหลักแสนบริจาคหลักหมืน่นกับถ้ามีเงินหลักหมืน่นบริจาคหลักพันและทําด้วยใจบริสุทธิ์เหมือนกันจะได้บุญเท่ากันไหมครับการทําทานอยู่ที่ปริมาณของจํานวนเงินไหมครับอยูที่สัดส่วนของเงินที่เรามี กับเงินที่เราบริจาคไปเช่นเรามีร้านหนึ่งมีมีแสนหนึ่งเราบริจาคไปพันหนึ่งก็ถือว่าเราบริจาคไปสิบเอร์เซ็นตเอ่อหนึ่งเอร์เซ็นต์นะนะหนึ่งคนที่มีหมื่นหนึ่งเราบริจาคพันหนึ่งก็บริจาคสิบเปอร์เซนแล้วคนที่บริจาคสิบเปอร์เซนคนที่มีเงินหมื่นนี่บริจาคมากกว่าคนที่มีเงินแสนแ่ว่าเงนจะเท่ากันก็ตามเพราะความรู้สึกมันจะต่างกันนะคุณเสียร้อยละหนึ่งกับร้อยละสนีความรู้สึกมันย ต่างกันใช่ไหเสียร้อย ห, หนึ่งมันจิ๊บจ่อยเสียร้อยสิบไปมันมากขึ้นนะหนึ่งพัสีเนี่ยใชก็เสียร้อยหนึ่งก็สิบจิ๊บจ่อยแต่ถ้าเสียร้อยสิบไปมันมาก ม, มากแล้วนะการสูญเสียมัวมากเหมือนกั น, นะ น, นของแต่ละบุคคลมันจะไม่เท่ากันไม่ไม่อยู่ที่ตัวตัวแรกของเงินที่เราเสียไปแต่อยู่ที่สัด ส, ส่วนของทรัพย์สินที่เราเบริจาคไป คุณพรทิพย์ครับคนที่ใกล้สิ้นอายุไขก่อนจะถึงช่วงสุดท้ายเราควรให้คนนั้นเขาฟังธรรมะก่อนที่เขาจะจากไปทําให้จิตเขาระลึกแต่สิ่งที่ดีงามอย่างมีถูกต้องไหมครับเขาไม่ใช่เด็กทางโลกเนี่ยจะไม่ให้เขาทารู้นทำนี่เขาเขาเกิดมาเขาอยู่อะไรน้องนี้น้อนายนะน้องอยากเขาถามฉะนั้นก็บอกเขาไปถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ต้องไปบอกเขาเดี๋ยวยิ่งไม่รู้ไปบอกให้ผิดผิดถูกๆูยิ่งยุ่งใหญ่ ในสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีสูตตายแต่ว่าจะให้เขาทำอะไรอยู่ที่ก็ว่าเขาทาอะไรแล้วก็สบายใจก็ให้เขาทาอย่างนั้นไปเวลานั่งสมาธิได้สักสามสิบนาทีจะตกใจเห็นหน้าคนแก่ผู้หญิงลอยมาอย่างนี้คืออะไรครับคือไม่มีสติจะเป็นบ้าต้องมีสติมันจะไม่มีอะไรให้เห็นนะการเล่นถามครับ แม่ชอบสนุกชอบเที่ยวแต่โยมไม่ชอบเที่ยวชอบสงบแม่ชอบหาสถาน ท, ที่เที่ยวให้พาไปโยมไม่พาแม่ไปเที่ยวโยมจะบาปไหมครับไม่บาปเลยเป็นญาจะทําทำไม่หน้าโกรธไม่พอใจอะไรนั้นเองคนที่เสียไปแล้วเราทําบุญไปให้เขาได้รับไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขาจะรับหรือเปล่าถ้าเขาไม่มบุญเขาอาจจะรัรับส่วนบุญเพื่อเขาจะได้ เอาบุญที่เราส่งไปนี่ไปใช้ในโลกทิศต่อไปบุญทุนเวันที่เราใช้ในโลกทิศนี้นี่นั่นเองไปจ่ายค่าโรงแรมไปจ่ายค่าที่พักค่าอาหารได้การภาวนาโดยไม่ได้สวดมนต์ได้ไหมครับได้มีสติอยู่กับพุโทโธสติอยู่กับลมหายใจตอนพระอาจารย์ฝึกได้สวดมนต์ไหมครับพระอาจารย์ครับ เวลาหน่าสารที่บางครั้งมันมันฟุ้งกันต้องใช้การสวดสวดสวดก็สวดสติฐานสวดสวดให้มันเสร็จทั้งทั้งวัดสวดเลยสี่สิบนาทีท่องเป็นภาษาอังกฤษนะนะพยายาือมเป็นภาษาอังกฤษนะครับแตทราบได้อย่างไรว่าใจเข้าถึงสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งเช่นเห็นอนิจจังหรือเห็นอนัตตาครับเวลาเราเป็นโรคมะเร็งเ ล, ลาต้องไ่้ความทุกข์ขึ้นมาสุด กินไม่ได้เนไม่หล่บพอเราใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าร่ากายไม่เที่ยมมันต้องต้องเจ็บต้องตายในธรรมาแล้วเราเรายอมรับมันได้ไม่ได้ม่อยากให้มันไม่เจ็บไม่อยากให้มันไม่ตายความทุกข์ที่เรามีนั่นก็จะหายไปเราก็จะกลับใจแล้วก็จะเป็นปกติมันก็ไม่มีไม่มีโรคภัยแค่เจ็บถึงแม้โรคภัยแค่เจ็บจยังมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์กับมันแล้วพอเห็นด้วยปัญญาว่า นั่งตายเป็นตายนะเป็นอนิจจ์เป็นของไม่เที่ยงไม่ใที่ตัวเราของเราที่เราทุกเพราะเราอยากให้มันไม่เจ็บไม่อยากให้มันไม่ตายพอพอมันเกิดความอยากหลันี้ขึ้นมาแล้วทําให้ใจทุกข์พอเราเห็นด้วยปัญญาว่าอยากยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดียาังไงก็ต้องเจ็บอยู่ดีก็ยอมรับความเจ็บยอมรับการตายพออยายามรับได้ปั๊บใจก็หายทุกข์เนี่ยจะเห็นชัดเจน ต้องมีทุกข์ก่อนเราถึงจะเห็นการปฏิบัติธรรมว่ามันสามารถดับความทุกข์ใจได้หรือไมตอนนี้เราคุยเรื่องทุกข์กันแต่เราไม่ยังไม่เจอความทุกข์กันเรายังไม่รู้ว่าเรื่องที่เราพวดนี่เราสามารถเอาไปดับได้หรอเปล่าใาชี่การความทุกข์ใจขึ้นต้องปฏิบัติต้องเจอของจริงถ้าพ่อแม่ลำเอียงรักลูกไม่เท่ากัน แบบที่ไม่ได้คิดไปเองนะครับคนทั่วไปรักชื่นชมเราจากใจมีมากแต่พ่อแม่ที่ท่านไม่ยอมรับและก่ายรับอมมากหายความผูกพันจากกล้องวงจรปิดเสียใจมากหลายเหตุการณ์ที่ทําให้คิดว่าท่านกลัวเราได้ดีไม่อยากจะคิดแบบนี้แต่มันคือเรื่องจริงตรงได้บ้างแต่ท่านทําบ่อยจนบางครั้งก็มีเสียใจอยู่เรื่อยๆควรคิดอย่างไรดีครับก็เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับให้ท่านรักเราทุกคนเท่ากันนิี๋ยวเรายังไม่เท่ากันเลยเห็นไหม เราคำให้นิ้วเราเท่ากันได้ปะห้านิ้วเนี่ยก็มันมีความแตกต่างกันคนแต่ละคนอาจจะมีความดีความเชื่อมากน้อยต่างกันมันก็มีผลต่อความรักของของพ่อแม่ให้กับคนงตาคงไม่เท่ากันแต่เรื่องพื้นฐานนี่ท่านทักเท่ากันอ่ะคือเรื่องเรื่องดูประมาด้วยกันทุกคน ส, ส่งเสริญเราให้ให้รับการศึกษาอะไรอย่างนี้มันก็ให้ทุกอย่างเท่ากันแต่เรื่องของความพอใจความเชื่ใจนี่มันมันเป็นเรื่องของ ของความประพฤติข อ, ของแต่ละคนถ้าทําตัวประพฤติ ด, ดีให้น่ารักคนก็จะเขาก็จะอดที่จะไปชอบรักเราไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราประพฤติตัวเราเองให้ให้คนเขเกลียดนี้กจะไปบังคับบังคับมารักเราได้อย่างไรอันนี้สองอันนั้เพราะไม่รักเราเรพาพื้นฐานนี่รับเท่ากันกินข้าวกินพร้อมกันไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนเดียวกันอะไรให้เท่ากันในเรื่องของความรักความชอบนี้ก็อยู่ที่การประพฤติของเร คนนี้ว่านอนสอนง่ายคนนี้เดือสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่อยู่เรื่อยๆไมจะช่รักคนไหนมากกว่ากันนี่อยู่ที่พฤติกรรมของแต่ละคนถ้าทําสมาธิแล้วจิตไม่สงบแต่สวดมนต์แล้วจิตสงบได้อันนี้สงฆ์เท่ากันไหมครับก็ถ้าสงบมันก็เท่ากันถ้ากามส ง, สงบสงบเท่ากันมันก็เท่ากันถ้าสงบไม่เท่ากันมันก็ไม่เท่ากัน ย ม, ม, ม, ม, มยช่วงปีใหม่นิยมได้ใช้จ่ายค่อนข้างมากทําให้ได้รับเงินทองขาดไปถึงสองครั้งทั้งที่เป็นคนค่อนข้างระมัดระวังแต่ก็ยังพลาดแม้เป็นจํานวนไม่มากแต่ก็รู้สึกเสียดายและไม่สบายใจอยากกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ในการปล่อยวางครับเงินไปแล้วเนี่ยให้มันจบกันมาคนไทยก็ว่าอ้อยเข้าปากช้างแนะ ทำไมเอาเอาขึ้นมาได้เลยก็ยอมย อ, ยอปล่อยให้มันานมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอย่ามีคิดถึงมาภาษาภาษาภาษาปจัจจุบัาเขาเรียกคัทลอสใช่ไหมครับครับผมคนที่ตายไปแล้วเป็นไปได้ไหมที่วิญญาณยังไม่ไปไหนด้วยจิตยังห่วงคนในครอบครัววิญญาณยังคงวงเวียนอยู่ในครอบครัวอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ ก็เป็นไม่ได้บางคนเกิดมาเกิดเป็นตุกแกในบ้านเราเกิดมาเป็นตัวเลนตัวมแมลงไม่ก่อนกับผ้าเหลืองของมีผ้ารูปหนึ่งตายมาแล้วยึดยังโงมผ้าเหลืองของท่านอยู่อันน้ก็เกิดมาเกิดเป็นตัวเลนในท่านตัวเลนนี้เป็นมแมลงชนิดไหนไมันเกาะอยู่พระเจ้าบอกว่าพ้าอยาเพิ่งเาพนี้ไปใช้ น, นะเจ้าของก็ยังไม่ยอมปล่อยพอราให้ตัวเ้นนั่นบินหนีไปก่อนหรือตายไปก่อน อนุวัตตอนนี้เอาไปใช้ได้นะเพราะสมัยก่อนผ้ามันขาดมันหา ย, ยากเนเป็นผ้าที่ของผ้าที่ตายไปนี้ก็เอาไปใช้ต่อได้คุณอ่อนครับบอกว่ามีบทสวดป้องกันโรคภัยไข้เจ็บหรือรักษาโรคช่วยได้จริงหรือไม่ครับนถ้าจริงมันก็ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีโรงพยาบาไใ้เสียเวลาคุณสิริอ่อนครับ ตั้งใจจะฟังคลาสนี้ทุกวันอาทิตย์ครับนอกจากติดธุระหรือเดินทางก็จะไม่ได้ฟังดีใจมากที่มีคลาสนี้ได้เรียนรู้และนำมาปฏิบัติกับชีวิตประจําวันทําให้เบาและสงบมากขึ้นนะครับอาจารย์ถึงนี้ก็มีอธิษฐานแล้วเนี่ยตั้งใจจะฟังคุณกันยาบอกว่าหนูคิดว่าต้องปล่อยวางลมหายใจปล่อยสังขารจะทําได้ยากไหมครับ ก็ดูมันเฉยๆไงมันจะหายใจเข้ากก็ปั่นมนหายใจไปมันจะหยุดหายใจก็ปล่ยมันหยุดหายใจไปยากไหมยากก็อยู่ที่ใจเราจะยึดติดมากมากน้อยเพียงไถ้ามันยึดติดมากก็ยากถ้ามันไม่ยึดติดมันก็ไม่ยากลูกเป็นวัยรุ่นสามีเป็นวัยทองครับตัวเองเป็นโรควิตกกังวลชีวิตไม่มีความสุขเลยควรจะภาวนาอย่างไรครับ ก็เนี่ยแหละก็ฝึกตาาสตินั่งสมาธิว่าท้าส่นรวเก็บโดยอยู่คนเดียวบ้างอย่าว่นวายกับเรื่องของคนอื่นที่มันที่มันเป็นอย่างว่ามีเรื่องของคนอื่นเข้ามาทำให้จิตใจเราวุ่นวายถ้าเราสามารถแยกตัวเองให้มีอยู่คนเดียวแล้วทําจิตให้สงบได้หยุดหยุดคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้ได้ความวุ่นความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ คุณแม่ทุกข์มากเรื่องที่ไม่ได้ช่วยน้องสาวของแม่ให้มาอยู่ที่บ้านเพราะเรากับพี่น้องไม่อยากให้น้องสาวแม่มาอยู่บ้านเพราะพี่น้องของขา้าพเจ้ากลัวจะมีปัญหาวุ่นวายที่บ้านแบบนี้าบาปไหมที่ทําให้แม่ทุกข์ใจจากลูกครับมันก็ไม่บาปเพียงแต่ว่ามันเราไม่ได้ไปทุบตีแม่อะไรมันไม่ได้ผิดศีลเพียงแต่ว่าเราเราไม่ทำตามใจใแม่เท่านั้นเองแม่ทุกข์เพราะแม่อยาก เมแมไม่ได้รังใจอยากม่ก็ทุกถ้าแม่ทำใจได้ว่าเราสั่งเขาไว่ได้สั่งลูกให้อนุญาตไมได้เขาไม่ยอนุญาตก็ต้องยอมยอมรับความจริงแม่ก็จะไม่ทุกข์กาพระอาจารย์ครับเมื่อช่วงส่งท้ายปีเริ่มปีใหม่ได้ไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้ใกล้บ้านเขามีกิจกรรมให้ตอบคําถามเป็นกลุ่มแต่โยมจับได้คําว่ากรรม ก็คิดว่าจะตอบแบบไหนดีพอคิดถึงคําที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้สอนให้ทําวัดก็เลยตอบไปว่ากรรมนําเรามาเกิดแบบนี้ถูกหรือเปล่าแต่ก็คิดว่ายังไม่ตรงจริงๆแล้วควรจะต้องตอบว่าอะไรถึงจะถูกครับการหาความอยากมันก็เป็นกรรมอย่างนี้เป็นมโนกรรมคนที่ไม่มีเงินเลยจะมีโอกาสทําบุญได้บุญอย่างไรครับ ก็รักษาศีลภาวนาัปเลยอย่างพลานนี่ก็ไม่มีบุญไม่มีเงินเลยเวลาไปบวดเขาไม่ให้ใช้ไงินเพราะจะได้ไม่ท้เอเสียเวลาไปกับการหาเงินไปทําบุญอีกให้ไปภาวนาเลยได้บุญที่สูงกว่าที่ดีกว่าคือบุญจะมีสามขั้นอย่างนี้มันมีได้ตอบคาถามแลนะ้วบุญที่เกิดจากการให้เงินได้ทองบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยแต่ละขั้นนึงจะมากขึ้นตามตรงนั้น บ, บุญที่เกิดจากใช้เงินใช้ใชทองนี่มันน้อยกว่า บ, บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่มันมากกว่า บ, บุญที่เกิดจากการรักษาศีลดังนั้นถ้าเป็นถ้าบวชเป็นพราได้ครับไม่ต้องทำบุญทำทานรักษาศีลนะครับภาวนาปฏิบัติธรรมนักสมาธิเดินโยมกง ในเล่มเปิดใจเปิดธรรมท่านอาจารย์บอกว่าอ่านหนังสือต่างประเทศสามเล่มทําให้จูงใจมาสายธรรมอยากให้ท่านเล่าสาระยังพอจําได้ไหมครับคือเรงที่ว่าหน่าอะไรเล่มมันมีเล่มมันเป็นชุดเดี่ยที่เป็นเล่มแรกที่สรุปเรื่องอนิจจ์ทุกขลักนัตตาเล่มหนึ่งสรุปเรื่องอนิจจ์เล่มที่สองสรุปเรื่องทุกขนันเล่มที่สามสรเรื่องอนัตตารวบรวมสาระที่เกี่ยวกับอนิจจ์ทุกขลักนัตตา ม า, มามยยยมโยมเห็นโพสสัมนกสงฆ์จังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับสร้างโรงครัวตามเงินบริจาคได้ร่วมบุญไปและอยากบอกบุญเพื่อนๆต่อจะมีวิธีบอกอย่างไรดีครับแบบไม่ให้เขาเกงใจเราครับก็ต้องดูกับคนที่เขาเราจะบอกเขายินดีฟังเขาเปล่า ไม่ใช่อย่าอย่าไปเรียกอะไรพูดเลยว่าที่ที่ร้านนี้ผมไปทําบุญที่วัด น, นี้มาเขากำลังสร้างสร้างห้องน้ำผมก็เลยก็ไปจ่ายเขาก็พูดแค่นี้แหละพูดเป็นแบบกลางๆแล้วแต่เขาจะคิดต่อว่าให้เราอยากจะทําบุญหรือไม่อยากจะทําบุญก็เปนเป็นเรื่องเรื่องป่อโอกาศให้เขาคิดเองเรอย่าไปบังคับเขาบอกบุญได้นี่เขาเรียกวิวธีบอกบุญ น้อยบางอย่างอะไรเอาซองมาแจกอะไรเป็นการบังคับเป็นการเปิลเป็นการจี้เอาซองนี่แทนงเงินเออเอาซองนี่แทนปืนเฮ <c oughs> ้ยซองโ้ยองต้องใส่แล้วต้องเป็นใส่ซองนะครับผมนั่งสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างตามเดืนนะ มีความคิดลบกับหัวหน้างานพยายามตั้งสติแต่ใจก็คิดขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับเวลาคิดแล้หยันอยู่ด้วยการปล่อยกับพุทโธพุทโธไปปล่ยวยให้มันคิดแล้วพุทโธวุทโธไปทุกครั้งท่จะคิดลราก็พุทโธพุทโธไปการทําสมาธิถ้าไม่ใช้พุทโธแต่ใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้ไหมครับได้ ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะใส้ทั้งสอย่างควบคู่กันไปก็ได้เราก็ใช้ทั้งสองอย่างพุดเข้าตัวออกหายใจเข้าก็ว่าพุดธหายใจออกก็ว่าถั่วก็ได้หรือจะพุทธถัอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องดูลมหรือจะดูลมอย่างเดียวไ ม, ไม่ต้องใช้พุทธถั่วก็ได้ทําบุญให้แม่ครบร้อยวันแล้วก็ไม่เคยฝันเห็นแม่อีกเลยครับแปลว่าแม่ไป ไ ป, ไปเกิดแล้วใช่หมครับมันไม่เกี่ยวกันเลเราฟันก็ไม่ฝังกันแล้วาเราไก็ไม่เกี่ยวหลายคนเชื่อว่าการทำทานทำให้มนุษย์บรรลุธรรมได้ส่วนตัวคิดว่าเป็นปัจจัยส p อร์ตแต่ถ้าบรรลุธรรมต้องยกจิตขึ้นสู่อยู่ปรินาอีกทีไม่ใช่มุ่งทำทานแล้วจะบรรลุเองเข้าใจถูกหรือผิดครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ข้ารองนในอนุบาล ต่อไปเขาก็จะไปเป็นหมอไดแ้แต่การที่เรียนรนฐบาลอย่างเดียวทําให้เขาเป็นหมอไม่ได้หรือว่าเขาเรียนชันน้นรัฐบาลเสรเ็จก็จะขึ้นชั้นระถมตาลดับต่องๆคุณกันยาบอกว่าเคยเกือบตายหายใจในน้ําในขณะนั้นจะพยายามสูตรหาลมหายใจดิ้นหลนหายใจให้ได้ครับออกครับพูดจริงๆทุกอย่างถ้าปล่อยปั๊มปล่อยให้มันจมไปเลย ใจก็จะหายทุกข์ใจก็จะดึงเข้าสู่ความสงบใจก็จะเย็นสบายตายอยากสบายครับทายแบบตรงได้ปล่อยวางได้การถกล้มทําให้กายเกิดความเจ็บปวดควรนําหลักธรรมไตรลักษณ์หรืออริยสัจสี่มาพิจารณาเพื่อทําให้ลดความทุกข์ครับ <S 1> <S 1> <S ก็เป็นธรรมดาต่างกายต้องเจ็บไม่ช้าก็เร็วเจ็บเลีเไม่ได้ มันเจ็บ ก, ก็ตาองยอมนับมันอย่าพยายามให้มันไม่เจ็บใจก็จะไม่ถูกขอคําแนะนําฝึกสติพุโทโธพุธโทโธนานขนาดไหนจึงจะเริ่มฝึกนั่งสมาธิครับก็แล้วแต่แล้วพักเมื่อหลักก็ลองนั่งดูถ้ายังไม่พักก็ยังไม่ลองนั่งอันนี้อยู่ในความรู้สึกขอ ง, ของแต่ละคน คุณหนิงบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ฟังคลาสนี้ครับแล้วรู้สึกใจสงบขึ้นสบายใจมากกว่าเดิมเลยนะครับอาจารย์ปัญญาอะไรที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกครับเห็นตัวสิ่งที่อยากเห็นโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขกัมลนะตาเห็นตัวอย่างการกองไฟถ้าเราอยู่ในกองไฟถ้าเราออกจากกองไฟได้เราจะอยู่ในกองไฟหรือไมย างา น, นเลยโลกที่เราอยู่นี่มืนมืนบ้านบ้านที่กำลงไฟไหมอยู่เราอยู่กันยังสนุกสนานเท่าเดียวไม่รู้เดียวจากบ้านที่ฟไฟไหม่หมกับที่มีขาวเรวนี้ที่มีมีไฟไหมบารแล้วขับเนี่ลเวลาถ่ายไฟไหมนคนต้องรีบเดี๋ยวจะห้องนั้นทันทีบาน์นั้นทีไม่อยู่มองโลกนี้ก็เป็นไไมืนานที่กิดไฟไหมขึ้นมา ไม่ที่ไหนมีไฟเราจะไม่เข้าไปใกล้เพราะมันจะเผาเราโลกที่เราอยู่นี่สังสารวัตรตายพบนี่ก็เป็นโลกที่ทเต็มไปได้วยความทุกข์แต่เรายังยักษ์ยังกลับไปอยู่เรื่อยตายไปเมื่อไหร่ก็กลับไปใหม่กลับมาเกิดใหม่่เรื่อยแสดงว่าเรายังไม่เห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ ทุกๆปีลูกๆจะร่วมกันทําบุญให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับทํามานานหลายสิบปีครับแบบนี้ผู้ล่วงลับจะได้รับไหมครับอาจจะได้รับก็ได้ไม่รับก็ได้อยู่ที่ว่าท่านจะมารอรับหรือเปล่าผู้ที่ได้ง่ายๆ ก, ก, ก็คพวกคนทำเนี่ยอุบายส่วนให ญ, ญ่ใ ห, ให้ให้คนทําได้ได้รับมากกว่าให้คนตายได้รับคนเป็นยจะได้รับมากกว่าโดยอาศัยโดยสายเหตุของคนตายเป็นเป็นเหตุให้เราได้ทำํำ ถ้าไม่มีคนตายเรวก็คิดเหยียดทําอัะไม่อยากทำเลยเพราะเราอาจจะไม่เชื่อบุญแต่เราก็คิดเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดคนตายเขาต้องการเราก็ทําส่งมาให้เขาแต่ความจริงบุญที่เราได้จากการทําบุญนี่ส่วนใหญ่จะเป็นของเราส่วนที่เราส่งไปได้นึกตั้งเพียงนิดหน่อยเพราะว่าอย่างนั้นมากมายไม่ทราบ นึกถึงพุทธโธ ท, ทั้งวันอย่างที่พระอาจารย์แนะนำไม่จำเป็นต้องนึกถึงนึกพุทธหายใจเข้านึกโธหายใจออกใช่ไหมครับแค่นึกไว้ในใจเนืองๆตลอดใช่ไหมครับใช่นั่งฟังธรรมจากช่อง YouTube นะครับทั้งวันบางเวลาเกิดความง่วงจะแก้อย่างไรครับก็หยุดฟังแล้วขึ้นมาเดินก่อนก็ได้ ก็คือบรรดาให้เกิดก้าวการหายร่วมเพราะไร้เกะฟังใหม่ในสมัยนี้เราสามารถใส่หูฟังได้แล้วก็เดินไปฟังไปงนน ก, กันได้ทันยังงั้นก็มาแบบไปฟังไปกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าสวดมนต์ประจําแต่มีดื่มบ้างบางวันอย่างนี้ได้บุญไหมครับมีคนละบุญกันเลยบุญที่เกิดจากการสวดบุญก็เป็นบุญอย่างหนึ้งบุญที่เกิด บุญที่เกิดจากการเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่เป็นบุญทำมันเป็นอบายอย่างเียวแต่มันยังไม่เป็นบาปมันจะเป็นตัวที่จะเดินให้เราไปทํำบาปได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อเราเดือดร้อนแล้วเราเอาจเกิดอาการมึนอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วไม่สามารถควบคุมใจเราไดแ้แล้วก็จะไปทําบาปได้ง่ายกว่าสามีทําผิดศีลข้อสามเราควรจะวางใจอย่างไรครับ ถ้าเราไม่ให้ทุกกับช่างองาไปเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไเชื่อเป็นของเป็นของเราเขาจะต้องซื่อสัตามกับเราอยู่กับเราเป็นของเราคนเดียวเราก็จะทุกมากแต่า้าคิดว่ามันเขาไม่ใช่ของเราเขาอยากจะมาอยู่ใครนอนกับใครก็ยังเขาไปเราห้ามเขาไม่ได้เราก็จะไม่ถูกจริงหรือไม่ครับถ้าเราคิดถึงแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นการรั้งดวงวิญญาณดวงจิตแม่ ให้ไปสวยบุญหรือเกิดใหม่ครับไม่จริงไม่จริงแล้วการลูกสองคนคิดเขาอะไรอย่างนี้ทาไงมันคนคิดให้อยู่คนคิดให้ไปก็ไม่ต้องไปไหนนึกถึงลมหายใจตนเองสั้นลงทุกวันได้ไหมครับบางคนเขาว่าเราบ้าครับนึกถึงชีวิตของเราดีกว่าชีวิตขเราสั้นลงทุกวัน คำว่าปรารถนาพุทธภูมิคืออะไรครับก็คืออย่างไ่นเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาะอย่างเจ้าชายสิทธัตถะท่านมาเกิดในยุคที่ไมีพระพุทธศาสนาท่านก็เลยต้องบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเองบรรลุถึงพระนิพพานด้วยตนเองแต่ถ้ายุคไหนมีพระพุทธศาสนาเราก็จะได้บรรลุถึงรพระพนะิพพานดยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจนะ้าเอง แต่เราจะไม่เรียตัวเราว่าเป็นพระพุทธเจ้ามันจะเรียกว่าเป็นพระอังกาตสาวุแต่ก็บรรลุถึงพระที่ผ่านเหมือนกันการออกกำลังกายขัดกับหลักธรรมไหมครับไม่ไม่ขัดครับพระก็ชอบออกกำลังกายแต่ให้ทาแบบยิงนุ่นได้สองสตัวยิงนุด้วยกระสุนนั่นยดงได้สองตัวหรือให้ไปดูบินดาบเนการเดินบินดาบเนี่ยออกกำลังกายเลยทางวิเลยเดนสอชั่วโมงยเี้ ดีมากเลยครับอาจารย์ครับไม่ได<ล>ไม่ได้ปรสองประโยชน์กายด้วยประโยชน์ใจด้วยกายก็ได้หายมานะประธทนพระจะทำอะไรพรจะทําให้มันคู่ให้มันได้ประโยชน์สูงสุดทั้งสองอย่างทำการศาสตร์วัดเจ้าเหมืกันบัดกว่าลานวัด น, นี้ก็ได้อนกําลังกลายไปแล้วจะทำการศาสาร์ราวัดให้ศาสตร์ โยมชอบฟังธรรมะมากกว่าภาวนาเพราะได้ความรู้อย่างนี้บุญเกิดขึ้นเหมือนกันไหมครับก็บุญที่เกิดจากการฟังธรรมก็มีแต่มันไม่เท่ากับบุญทีกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจิตคิดไปเรื่องอื่นก็รู้ว่าคิดและกลับมาสักพักก็คิดไปอีกกลับไปกลับมารู้อยู่อย่างนี้ควรฝึกอย่างไรต่อครับคุณอย่าห้ามไม่ให้มันไปให้มันอยู่กับ เรานอยู่กับพุโทโธให้อยู่กับกรรมาฐานอย่างเดียวเขาถามว่าควรจะฝึกให้มากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์วควรฝึกสติให้มากขึ้นะคันทฟใจให้อยู่กับกรรมาฐานอยู่ตลอดเวลาโดยวฉพาะทั้งในขณะที่เรานั่งและขณะที่เราไม่นั่งเช่นบริการพุโทโธนี่เราสามารถบริการได้ทั้งวันทั้งคืน้ป น, นั่งก็ไา้ไปนั่งก็ไา้เราก็พุโทโธพุโทโธ ไหว้เทวดาขอให้เรารวยถือเป็นศิลปะตะประาปรมาสไหมครับเพราะสมัยพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีแล้วเท้าสักกะมาบอกว่าสามารถให้พรได้ตามที่ขอแสดงว่าเทวดาช่วยให้เรามีลาภยศสรรเสริญได้ใช่ไหมครับยกเว้นดุจพลครับถ้าเราไม่ขอเทวแล้วก็ตอบไม่ได้หาเทวดาทั้งองค์ขอขอให้เราไม่รวยถ้าขอได้คนไทยก็รวยทั้งประเทศแล้วป่านนี้คนตาชอบขออยู่แล้วไม่เถียครับ ก็หมอไม่ขอให้สาธาสุขของป้าเทศไทยมันดีขึ้นขัตอนนี้ ไ, ไนะยากมากไม่น่าได้ของกลัวตายกลัวลมหายใจหายต้องคิดหรือภาวนาอย่างไรถึงจะไม่กลัวตายขณะที่กำลังจะตายครับก็เป็นธรรมดาวามตายเป็นธรมมนธรมดาแล่ควรุระไม่ใช่ต้อหน้าถึงเต้นอะมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดา จิตและวิญญาณมนุษย์ที่เวียนว่ายในวัฏฏะสังสารมาเป็นครอบครัวเป็นพบเป็นพบพบชาตเก่าอดีตจริงไหมครับคือมันเกิดอะครั้งเราก็ได้ครอบครัวใหม่เป็นส่วนใหญ่ข้างบ้านเลี้ยงสุนัขหลายตัวมันเห่าเสียงดังรบกวนทำใจยังไงให้อยู่กับเสียงที่รู้สึกรบกวนอย่างไรครับชอบมันเลย คนที่เขาจะของบ้านที่หาอยู่เขายังยังไม่เขายังไม่เดืออนเลยเพราะเขาชอบเสียงมาคหาแล้วก็ชอบมีครับเลยถ้าชอบแล้วเราก็จะมีความสุขได้ยินเสียงมาหามก็มีความสุข <laughs> ที่เราทุกคนเราไม่ไม่ชอบไม่อยากจะได้ยินได้ฟังเนี่ยทุกเกิดจากคาําความอยากของเราความอยากไม่ได้ยินได้ฟังเสียงมาเราเราเลยทำให้เราทุกถ้าเราชอบแล้วอยากจะฟังเสียงมาหามเราก็จะมีความสุบ อย่างนี้คิดว่ามันเฝ้าบ้านให้เราคบได้ไหมครับอาจารย์นนได้ก็คิดก็คิดถึงคนคนที่เป็นเจ้าของหมาไม่ให้เขาไม่ให้เขาเดือดร้อนเลยก็เป็นความสุขใจไหมครับคุณพรทิศถามว่าศีนข้อห้าครับสุราเมระยะถ้าเราดื่มแค่นิดหน่อยแก้วสองแก้วแบบนี้เรียกว่าผิดสีนข้อห้าไหมครับผิดแม้แจะยนเดียวก็ผิดแต่ผิดมากผิดน้อยเ ที่เขห้ามไว้เพื่อว่าถ้ามันมันเริ่มดือดมันจะเริ่มเดือดอย่างนั้นปหามากไม่ใช่นะครับวันนี้อาสักแก้วหนึ่งเดียวพรุ่นี้เกิดอาการไม่สบายใจเราล อ, ล อ, อ้อยสักแก้วดูอีกแก้วก็ยังไม่หายไม่สบายใจอย่ค่ออัดสักแก้วนึงมันจะเติมมาเรื่อยๆต่อไปก็กินทั <c oughs> ้งขดครับงั้นอย่าไปแตะมันเลยไม่ต่หยดเดียวดีที่สุดครับการฟังธรรมะสามารถจะบรรลุธรรมได้ไหมครับ ได้ถ้าเรามีสมาธิรองรับอยู่แล้วถ้าเรามีจิตเป็นดูเบกามีรูปฌปานสี่อย่างสมัยที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมข้างล่างนี้ก็มีพระปัญจวัคคีท่านก็มีมีชายนทั้งหมดทั้งนั้นพระพุทธเจ้าแสดงอริ ย, ยารรสัจสีให้เขาฟังเราก็บรรลุธรรมไดเ้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาอย่างงึ้งทันทีหลังจากที่แสดงธรรมเสร็จแต่ถ้าไม่มีสมาธิอย่างพวกเรานีา้ยความเป็นลมการตายก็ก็เป็นเหมือนโรสจี ว่าเราไม่มีกําลังที่จะไปหยุดตั้นหาการเนี่ยนั่งสมาธิอต่ยังเอาชนะกิเลสไม่ได้ครับอาจารย์ชี้แนะวิธีได้ไหมครับว่ า, า, ย า, ยาทำไมอยากทำให้แน่ๆทำให้มากขึ้นต้องอดทนอย่างที่เมื่อกี้พูดต้ามีสัจจะทิฏฐานต้ามีวิรยิยะต้ามีขันติมันเป็นการเดินขึ้นเขาไม่ใช่เป็นการเดินลงเขามันยากยังไม่สุด สิใสมีคนทำอะไรนได้กันเยอะแยะนะว่าพุทธเจ้าว่าสาวแห่งหลายนั่นก็ต้องทำทุกคนถ้าเราทำบุญเพราะเกรงใจเรายังได้บุญอยู่ไหมครั บ, รบรก็ยังได้อยู่เราก็ยังเสียสาดนั้นกอนนั้นไปฟังธรรมะประจำได้บุญไหมครับ ก็ได้ในบุญที่กยายกาการต้องทำว่ามีเช่นได้ยินได้ฟังทำให้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังบ่อนยๆทำนี้เราก็ได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังอีกแล้วเกิดควาเข้าใจดีขึ้นประทางรอน้ำจะช่วยกำจัดความสงสยัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทําให้จิตสบงบผ่อนสายมีความสุขมีปัญญาเกิดปัญญาสมาธิขึ้นนี่คืออันที่สองของกาศทางธรรมมีอยู่ห้าข้อด้วยกัน แม่น้องตรงซับถามพยายามถือศีลแปดทุกวันแล้วทําสมาธิได้ดีขึ้นขอน้อมอนุโมทนาบุญที่หลวงพ่อเมตตาโปรดเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะครับอ๋อเ่องนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะที่รามาสอนเนี่ยมาพูดนี่ยเขาได้ศึกษามาถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่เรื่องก็ถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้า ไม่ได้จะขอบคุณใคไปขอบคุณพระเจ้าดีที่สุดเพราะถ้าไม่มีพระเจ้าเราจะไม่ได้ข่าวสารเรนี่ยเราพูดเราคุยกันเราทุกคนมีเทวดาประจําตัวไหมครับเพราะเวลาทําบุญเราอธิษฐานบุญให้กับเทวดาประจําตัวด้วยครับไม่มีหรอกเทวดาไม่ใชว่าเป็นยาให้เราใช่ไหมเทวดาก็ลองไปเกิดของเขาไปหาความสุขของเขาเลองวิเศษขนาดไหนยังมีเทวดามาังเป็นเทวดาประจําตัวแล้ว มไม่มีหรอกไม่ทราบคิดกันยังไงรซื้อของกินที่แม่ชอบไปให้แม่กินเป็นการสะสมบุญไหมครับก็ให้ให้ของขอกับพ่เป็นบุญนะเป็นการทำทานทำบุญทำทานจะทราบได้อย่างไรบ้างครับว่าการปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิภาวนาและบุญเกิดแล้วครับ มีความสุขเนี่ยความสุขใจ น, นี่คือบุญถ้ายังไม่สุขใจก็ยังไม่เกิดคุณเจ๊เพชษครับบางครั้งสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นบางวันเหมือนได้ยินเสียงคล้ายมีใครมาสวดมนต์กับเรามีได้ไหมครับอ่าแล้วแต่คนถ้ามันมีก็มีไม่มีก็ไม่มีก็รู้ตามความเป็นจริงไปเรแล้วไง มีก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีก็จบมันไม่มีสาระประเด็นสำคัญ เ, เลยของเราเนี้ยมันก็เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาถ้าเราไม่ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางในตามความจริงเราก็าารับไปครับพระอาจารย์ครับปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ซานดิเอโกครับเวลาไปวัดแล้วเห็นพระปฏิบัติไม่สํารวมเกิดอกุศลจิต ได้ตัดสินใจฟังทำอยู่บ้านเพราะกลัวบาปกรรมจากอากุศลจากจิตตัวเองขอคำแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยครับเข้าได้เราก็ปฏิบัติของเราไปถ้าเราเห็นสิ่งที่มันเป็นอกุศลเราก็อยากไปอยาปา่ากไปดูแลกันถ้ายังไม่มีใจิตใจที่เข้มแข็งพองที่จะเข้าใจว่าคนเราในโลกนี้มันมีแตกหลากหลายด้วยกันคนที่ทำอกุศล่อมีคนที่ทําอกุศลก็มีถ้าเราทำใจได้แล้วก็ก็สามารถที่จะ ไปได้ไปเจออะไรก็ได้ใจเราก็จะไม่ทุกขกับสิ่งที่เราเจอปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมและนั่งสมาธิทําให้เกิดปัญญาทางโลกด้วยไหมครับไม่ะนะปัญญาทางธรรมแต่ปัญญาทางธรรมนี่ก็สามารถมาใช้กับเรื่องภูมิทางโลกได้ภูมิทาโลกก็เหมือนกันถ้าเราเห็นนั้นที่จังนี่มันไม่ใช่แต่เฉพาะทางธรรมอย่างเดียว อ น, นิจจังนี่มันทั้งหมดเลย ท, ทั้งโลกเลยทั้งจักรวาลเลยเป็นอ น, นิจจังนั่นคือไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวตนอันนี้ก็เอามาใช้ได้ใช้กับทุกอย่างทุกอย่างในในโลกนี้ได้ หากทำอานาปานาสติเป็นตลอดเวลาจําเป็นต้องบรรลุฌานหนึ่งถึงสี่ให้ได้ก่อนวิปั ส, สนาไหมครับถ้าได้มันจะทําให้มันรู้ทาได้ถ้ายังไม่ได้มันจะทําให้ปล่อยมันบรรลุทําไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้ช่วงกินเองไม่ไหวมันมีแต่ปัญญาอย่างเดียวแต่ไม่มีสมาธิสนับสนุน คนที่ภูมิธรรมโสดาบันขึ้นไปและมีมิจฉาทิฐิมีโอกาสสอนภาวนาผิดทางหรือเนิ่นช้าได้ไหมครับคนที่ได้โสดาบันนี้มีสมาธิไม่ใช่มีมิจฉาทิฏฐิเพ็นงแต่ว่าท่านยังไม่สามารถที่จะชำระส่วนที่ท่านยังบรรลุมไม่ถึงได้ถ้าท่านสอนท่านจะสอนแต่ทำในระดับที่ท่านรู้เท่านทำที่ท่านยังไม่ได้ท่านจะไม่ ส่วนใ่ท่านจะไม่มีเสียเวลาการสอนท่านในขั้นที่หนึ่นงแล้วท่านก็มุ่งไปสู่ขั้นที่สองที่สาที่สี่เมื่อท่านถึงขั้นที่สี่แล้วถึงจะค่อยมาภาษาพื้นต่อไปเราไม่ได้ไปงานเผาศรีราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพบูชาแต่เราขอเข้ามาที่บ้านได้ไหมครับหรือจะต้องไปขอเขอามาทำไมเราไปทําในพื้น หากเป็นคนมักโกรธพยายามฝึกสติรู้ทันอารมณ์ตามทันบ้างไม่ทันบ้างไม่ทราบต้องวางใจอย่างไรครับหาเป็นคนมักโกรธก็ต้อมาฝึกจิตเป็นทัศนคติของเราใหม่ความโกรธของเราเกิดจากความจู้จี้จุกจิกของเราอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่พอไม่ได้รังจใจอยากก็โกรธขึ้นมาเพราะต้องเปลี่ยนเปนจากการจู้จี้จุกจิกให้เป็นชันโดด ย, ยินดีตามมีตามเกิด เห็นที่ลูกศิก็าทำเสือ้อเสือ้อเสือ้อเสือ้อเสือเส้ อ, อจกันนะครับายานมีความถ้ามีสั้นเดียแล้วจะไม่มีความโกรับเห็นแล้คุณหมอเห็นภาสาไหมเห็นแต่อัตยีอัตโนนาโถครับอาจารย์เรียนถามพระอาจารย์ครับการสวดมนต์ข้ามปีไปสวดที่วัดกับหมู่คณะ และสวดอยู่ที่บ้านคนเดียวให้ผลแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับก็อยู่ที่ควาสมสงบแตกต่างกันก็อยู่ที่ควาสมสงบอยู่คนยวจะส้บอกวาในส่วนร่วมกันพระอระหันต์สามารถมองกันแล้วรู้ได้เลยไหมครับว่าอีกคนเป็นอรหันต์หรือต้องลองคุยกันดูก่อนครับไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเลย ก็งั้นคนที่จองหมออะไรกันเจอรับจะรู้รู้ไหว่าเป็นหมออะไรกันพอจะรู้ไหมเป็นหมออ๋อก็พอจะรู้บ้างถ้าคุยกันเดอครับการที่ใจเราเกิดความวิตกกังวลกลัวเหตุที่ยังไม่เกิดทําให้ไม่มีกําลังสมาธิพอกับการกําหนดสติที่ลมหายใจแบบนี้ควรนําแนวทางการปฏิบัติอย่างไรมาปฏิบัติครับ ก็อยอมรับความจริงว่าอนาคตไม่แน่นอนอะไรจะเกิดก็ก็ได้ต้องครับต้องสอนใจอย่างนี้ให้พร้อมรับกับสภาพทุกสภาพให้ได้แล้วเราก็จาหายกังวลภาวะนิพพานเป็นอย่างไรครับจิตที่ไม่มีกิเลสไใจที่ไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจนิ่งเฉยสง บ, บมสไม่ข้างศพไม่หิวไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้น การฝึกนั่งสมาธิจําเป็นจะต้องมีพระอาจารย์สอบอารมณ์ไหมครับไม่สอนต้องสอนนะ ม, มีคนสอนก่อนมันตีกล้องอย่างเราไม่ตีเองก่อนมีคนสอนมันต่างทุกอย่างถ้าเป็นวิชาการกระทํามาที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนเนะนะาะเราก็จะต้องมีกูมีอาจารย์เท่าั้นะการนั่งสมาธิแบบไม่เพ่ง จะทําให้ได้ผลของสมาธิแตกต่างจากการเพ่งไหมครับเพ่งหมายถึงบังคับเล็กน้อยเกรงเล็กน้อยทําใจให้นิ่งเป็นอารมณ์เดียวหรือมีพุโทโธมากํากับสลับกับรู้ลมหายแล้วลมหายใจครับคือมันต้องบังคับใจถ้าไม่บังคับมันจ ะ, จะลอยไปที่มันชอบไม่ชอบอยู่กับที่มันชอบไปอดีตเมื่ไหรนาคเมื่อที่นั่นมากมาไปที่นี่มากเราต้องการให้มันนิ่งเราก็ต้องเร่งมันมาให้อยู่กับพุโทโธและอยู่กับลมหายใจ จะเรียกว่าเพลงจะเรียกว่า บ, คบาคำก็แล้วแต่เถอะแต่มันเป็นวิธีที่จะทำให้ใจนิ่งได้ทําอย่างไรดีครับปฏิบัติที่บ้านคนเดียวไม่ค่อยจะเคร่งเหมือนตารางเวลาที่วัดขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับแสดงว่าจิตเรายังอ่อนอยู่ก็ต้องอาศัยการไปอยู่วัดไปอยู่ที่นี่ก็มีตารางให้เราทํากิจกรรมต่างๆจนกว่าเราจะมีกําลังพอที่จะสามารถอยู่คนเดียว เขาทำตามตารางที่เขากาหนดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยู่วัดเช่นกันถ้าเจ้านายเชื่อหมอดูเชื่อความคิดเห็นของผู้อื่นมากกว่าการกระทำเราควรคิดอย่างไรดีครับกเรื่องของขเายไม่ใช่เรื่องว่า รู้ตัวพร้อมอยู่แต่เมื่อเจอสิ่งที่น่ากลัวแต่เอาชนะความกลัวไม่ได้มีวิธีแก้ไหมครับก็ตั้งสเตติบันการพุทโทพุทโธไปสวดมนต์ไปกัได้สวดอินทิพยโสในในคัมภีร์ท่านสอนว่าถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้ามสวดบทพุทธคุณไปแล้วถ้าพุทธคุณเสรจแล้วยังไม่หายกลัวก็ให้สวดบทแล้วทำละคนแล้วสวดแล้วยังไม่หายก็สวดชั้นละคน ยังไม่หายก็ทำระสูจน์มาเรื่องราวมัจะหายครับที่เขาบอกว่าให้ทำสมาธิชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นจะส่งจิตถึงคนเป็นคนตายได้ไหมครับไม่ได้หการทำสมาธิมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับการส่งจิตไปหาใครขออากาสพระอาจารย์ครับ เพื่อนบ้านที่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันของมาให้แต่ว่ามีของที่บางอย่างเราไม่ได้รับประทานเราควรมาหรือว่าควรที่จะบอกปฏิเสธไปดีครับลูกมีความรู้สึกว่าการปฏิเสธเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยเพราะว่าเวลาที่ลูกให้ของใครถ้ามีคนปฏิเสธลูกก็จะรู้สึกเสียใจครับกราบขอคำแนะนําระอาจารย์ครับถูกต้านเราก็รับไปก็โดยรายย่างเราก็รับไปส่วนเราจะอาไปใช้หรือไม่นั่ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลย เขาจะไปใช้ก็ได้แล้วเราจะไปให้ครับนอื่นต่อบก็ได้บางคนที่ก็มีของขวัญเยอะๆบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้เขาก็ไปแจกของขวัญให้คนอื่นต่อบดีไม่เวลาแต่อยากไปแจกต่อหน้าเขาแล้วกันพอคุณให้มาปุ๊บก็หยุดยกให้คนนั้นต่อไปเลยมันจะทําให้เขาเสียใจได้เขาก็อยากจะให้เราอยากให้เรารับแล้วอยากให้เราใช้แต่พอเรารับปุ๊บก็โยนให้คนอื่นเลยหรือว่าเราไม่ให้ขาดสําพันธ์กับของที่เขาให้เรา แต่เราต้องทำแบบเหมาะสมเพื่อไม่ได้ทำไม่ได้ทําต่อหน้าเขาถ้าเราไหนเรไม่ใช้เราไม่เราไม่อยากจะเก็บไว้แล้วก็แจกคนอื่นไปก็ได้แต่คนจะรับถ้ามันเป็นของที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็รับได้แต่ ถ, ถ้าผิดกฎหมายผิดศีลธรรมได้เราต้องฏิเสธไปลว่ารับไม่ได้ บางครั้งในการปฏิบัติรู้สึกเหมือนมีแสงมาแยงตาครับก็แล้วไปก็รู้ว่ามันมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เยอะแยะไปหมดก็รู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่นเกิดแล้วก็หายไปท่านนึ่งไม่ต้องไปกังวลการอุทิศบุญกุศลจําเป็นต้องกรวดน้ําด้วยไหมครับไม่ต้องกรวดน้ําก็ได้กวดแห้งก็ได้อุทิศด้วยใจด้วยความคิดก็พอ หากทำอนาปานสติได้ตลอดทั้งวันและต้องฝึกสมาธิบรรลุชานหนึ่งถึงสี่ก่อน อ, อ๋อเหมือนคทถามซ้ำครับอาจารยมีเพื่อนเป็นคนตลกอย่างนี้ผิดศีลข้อสี่ไหมครับเพอร์เจอร์ครับคือศีลข้อสี่นี่สำหรับคนทั่วไปนเอาแค่พูดผนอย่างเดียวนะ คนที่พอ้อยเจอรกรณีพูดคำหยากรายนี้เป็นเสียงะเอียดของนักบวชมากถ้าเป็นนักบวชครับคนรจะคนจะสำรุมการพูดจาเหล่านี้ไม่ไ ม, ไ, มไม่เหมาสมไม่สวยงานักบวชนักบวชพูดคำหยากก็ไม่ดีพูดพาอยเจอรกรณีดีแต่ถ้าเป็นผู้ความเรือนี่ยังยังก็ยังสางคมยังพอรับกันได้ คุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคอัลไซเมอร์ครับคุณแม่สามารถสู่สุขติได้ไหมครับได้ไม่เกี่ยวแล้วนะลรเรื่องพโภัยแค่เจ็บขอ ง, งร่างกายอยูที่บุญที่บาทว่าส่วนใดมากกว่ากันถ้าแม่ทำบุญมากกว่าบาปแม่ก็ไปสู่สุขติกาบเรียนขอความรู้ครับในช่วงชีวิตของคนเราที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือเป็นคนดีคนเลวเกิดจากกรรมมาเป็นตัวกาหนดชี้ทางชีวิตด้วยไหมครับ าการกะทำนี่แหละเป็นตัวกรงมฐานใหเราดีนี่เชื่อเราควรนั่งสมาธิและฟังเทศไปด้วยหรือควรนั่งสมาธิดูใจเพียงอย่างเดียวครับเมื่อฟังธรรมก็ควรจะฟังตั้งใจฟังเราก็จะได้ไประโยชน์เคยได้ปัญญาแต่ถ้าอยากจะฟังธรรมเพื่อเป็นการใช้เสียงธรรมเป็นกรรมฐานแล้วก็ฟังได้ แต่เราจะได้คือความสงบเป็นการชุ ม, มท่าสมาธิโดยการใช้เสียงธรรม็นอารมณ์แล้วแต่เราเราอยากจะนั่งแบบไหนฟางแบบไหนเราอยากจะฟางทําให้เกิดปัญญาแล้วก็ไม่ต้องไปไปดูลมไม่ต้องไปคุ้ดโทให้คอยฟังเสียงธรรมแล้วคิดตามอย่างที่เราคุยกันเนี่ยพูดคุยกันแล้วเรก็ฟังแล้วก็ฟังเหตุฟังผลที่เราได้ยินได้ฟังพอเราเข้าใจแล้วก็จะได้ปัญญาขึ้นมา ศีลอยู่ที่กายทําอยู่ที่ใจศีลกับธรรมอันเดียวกันหรือคนละอย่างครับมันบอกว่าที่ใจทุกอย่างศีลทุกอย่างก็ออาจากใจเังนส้นศีลที่แท้จริงก็อยู่ที่ใจรักษาศีลข้อเดียวที่ท่านบอกก็คือรักษาใจถ้ารักษากใจให้สงบได้ก็จะไม่ละเมื่อศีลข้อใเลยโทสะจริตแก้ไขยอย่างไรครับขอแนวทางพระอาจารย์ครับ มันยิ่งเตอบไปทีแล้วอยากเป็นคนชั่วชีวิจริงเป็คนสัญญอดีตามีทางเกิดเราจะไม่โกรธใครใครจะว่าเราก็ได้ใครจะชมเราก็ได้ต้องตามใจแบบนี้ใครจะตามใจเราก็ได้ไม่ตามขัดใจเราก็ได้อี่างนี้เราก็จะไม่โกรธใคร พรอรหันตุขวิปัสสโกช่วยต่ออายุศาสนาได้เหมือนหรือเทียบกับพระอาหารอีกสามแบบไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะไม่จำเป็นจะต้องรู้หรอเรื First, ่องอนี้รู้วิธีทำให้เราเป็นพระแล้วดีกว่าการภาวนาใช้พุทโธแล้วมีคําไหนที่จะใช้ภาวนาได้อีกไหมครับ จะใช้คำหนุนก็ได้อันนี้จําทุกคำนั้นตาก็ได้แล้วแต่เราจะชอบคำไหนก็ใช้คำ น, นั้นก็ได้พุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สางโคก็ได้ตายก็ได้บาลานาชิติก็คือตายเหมือนมันมีหลายคำย น, นี้กรับที่สามารถเราใช้ได้การนั่งสมาธิสามารถจะแผ่ส่วนกุศลให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไหมครับ ในตำรานี่ท่านสอนให้แผนด้วยการทำมุญตำทานส่วนวิธีอื่นนี้ไม่มีปรากฏในตำราแล้วอาจมาทราบมันจะตอบยังไงดีสามีผิดศีลข้อสามและทิ้งครอบครัวพูดจาใส่ร้ายครอบครัวต่อสังคมถ้าตัดใจทิ้งเขาบาปไหมครับก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็แล้วกันไม่น่ไม่มีเวรมีคำ ต้องหย่าร้างกันไปให้เป็นกิจารักษณะจะได้หมดปัญหากันไปอย่างนี้ตราตามมาลัางความได้จริ้งข้อจะเขาตามมามาอย่างนี้ทำไมเขาวันยังเป็นพยายามเขาอยู่นี้ครับถ้าลูกทานอาหารไม่หมดพ่อแม่ทานต่ออย่างนี้ลูกบาปไหมครับถ้พ่อแม่จะทานเนอที่เราไม่ได้บอกให้ให้พ่อแม่ทานก็ไม่ไม่เกี่ยวกันอยู่ที่พ่อแม่เขา ไม่ยินีกินอกอกของเด็กเราก็รับไปวันนี้ก็เสียดายของเพราะมันเป็นเงินอของเขาหาการู้สึกผิดหวังกับลูกชายที่มีความคิดเอาแต่ความสุขของตัวเองเป็นหลักจนไม่นึกถึงคนในครอบครัวรู้สึกเสียใจน้อยใจจนบางครั้งก็อยากตัดขาดความสัมพันธ์แม่ลูกไปเลยขอปัญญาและแนวทางในการทำใจกับความรู้สึกนี้ครับ ถ้าทำใจว่าเราห้ามก็ไม่ได้ก็เป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็พยายามรักษาสถานภาพกับความสัมพันธ์ที่ดีไว้ก็ลักกันอย่งเป็นพอ่อร่วมแม่ร่วมกันอย่างก็ยังเป็นอยู่ต่อไปอย่างเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปกําหนดให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้เราก็อย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธครับต่างคนต่างอยู่กันไปคุณไวททัสครับ เคยปรนนธาพระไว้ด้วยคําพูดแบบไม่ผูกมัดว่าหนูขอปรนนธาหากท่านขาดหรืออะไรช่วยบอกหนูด้วยไม่ระบุอะไรเจาะจงครับแบบนี้คือถ้าพระขออะไรเราต้องไปหามาถวายให้ทุกอย่างไหมครับไม่ได้มีอาชีพราชการเงินเดือนไปๆทุกเดือนแต่เป็นแม่ค้าครับเราบอกว่าท่านขาดการหรืออะไรมันก็เปิดกว้างเลยด้ยน้ำต้องเจาะจงถ้าท่านขาดจีวรขารอาหารมินทบาลอะไร แล้วก็จะหาแด่สิ่งที่เราราวนาไหมแต่ถ้าบอกว่าขาดอะไรนี่มันกว้างหมดหรือเปิดกว้างหมดะลยครับข <laughs> อถามต่อครับรู้สึกเสื่อมศรัทธาพระฟังเทศไลฟแล้วอารมณ์ขึ้นทุกทีมีน้ำ โหจนบางทีต้องเลิกฟังกลางคันควรทำอย่างไรดีครับตอนนี้ยังเปิดฟังไลฟ์ทุกวันเพราะไม่รู้จะไปฟังใครเคยฟังเทศเวลาเดิมพระเดิมจนชินที่ผ่านมาหลงศรัทธาเพราะท่านมักเทศในเชิงว่าท่านหลุดพ้นแล้วตามมาเห็นพฤติกรรมภายหลังพระมีกิเลสเยอะหูเบาแบ่งแยกตีตาคนโดยไม่ทราบพราเทเจริงทั้งหมดให้ลาพิเศษแก่ลูกศิษย์เพื่อหวังการอุปถาครับขอปัญญาพระอาจารย์ครับ ไม่รู้จะตอบเลยแล้วแต่เราถ้าได้ได้ฟังถ้าเราเป็นทุกข์ก็อยากฟังนั่เองใส่บาตรทุกเช้าหา ก, กรวดน้ำตอนพระาทิตแล้วสามารถทำได้ไหมครับกรดน้ำตอนที่พระาทิตขึ้นผมผมคิดว่าน่าจะบอกพระาทิตตกแต่พิมพ์ตกไปัหมครับ คือความยิงการอุทิศบุญนี้ก็รจะทำทันทีทันใดนดี่ครับเพราะมันเหมือนของสดอาหารสดๆที่เราทำมาเราอย่เก็บที่ไม่ตอนตอนตอนเย็นแล้วข้ามาให้เขาเกินนี้มันจะจี๋เจิดชื่นไม่มีรสมีชาติไปทําเนียร์เราควรจะอุทิศทันทีหลังจากที่เราทําเสร็จก็อุทิศไปได้นะไม่ยากเย็นตรงไหนี้ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เแต่เราเลือกภายในใจว่าเขาอุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้นั้นตัวนี้นที่ร่วงหลับ้วก็เสร็จ ในระหว่างที่นั่งสมาธิเกิดอาการปวดขามากจนต้องเปลี่ยนเป็นนั่งเหยียดขาแต่ยังคงภาวนาพุทโธในใจอยู่ตลอดจนครบสามสิบนาทีหากต้องการให้สงบขึ้นเรานั่งเหยียดขาตัต้งแต่เริ่มเลยได้ไหมครับได้มข้อห้ามคุณพ่อถือศีลห้าครบปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามหลักพระพุทธศาสนาพ่อบอกว่าเขาจะรับพ่อแล้วก่อนเสียชีวิตไปหนึ่งเดือนครับ ลอ้ฟังครับเดินออกกําลังกายไปด้วยฟังพระเทศไปด้วยบาบไหมครับไม่บาบนะก็สมัยนี้ถ้ า, ามีหูฟังเราใส่ไปในหูฟังแล้วมันก็ฟังไปได้ในที่ไม่มีใครเห็นคือโดยทํามเนียเวลาการฟังเทศน์เราจะให้ความเคารพกับผู้สแสดงธรรมและประโยชน์ที่อจะการได้ฟังครรมนี้เราต้องหยู่กายวานใจเราต้องนิ่งสง เรไม่เกิดหวยแต่สมัยนี้เราอาจจะถือว่าเป็นการเดินยองคงไปแล้วฝับถักใหม่ก็ได้แต่ทุกคนจะทำใงานเดินที่ที่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราฟังอะไรจะดีกว่าคนใกล้ชิดชอบเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่ทุกเดือนแต่หนูเสียดายเงินเปอร์เซ็นต์จะถูกน้อยมากคิดว่าแบ่งมาทำบุญดีกว่าจะพูดคุยกับเขาอย่างไรดีครับก็ <c oughs> ก็คุยไงคุยไงไงจะพูดอะไรก็พ wow, ูดไปขัิจังหวบไม่รู้จะเป็นอะไรก็ไมปิดวาจาสิบวันต่างอย่างไรกับที่เราทำบุญนั่งสมาธิถือศีลที่บ้านครับะอาจารย์ไม่ต่างกันเพราะถ้าอยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้พูดกับใครนะครับ ปีใหม่จุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านขอพรได้ไหมครับคือมันไม่มีอะเราไม่เชื่อนี่ยกันขึ้นหมาเองอากจะทำก็ทำได้ขอก็ขอได้จะได้หม่นะั่นเรื่อง ม, มีเพื่อนเป็นซึมเศร้าครับเราอยู่คอยช่วยเหลือทําอย่างไรให้ใจเราไม่เศร้าหมองเพราะสงสารเป็นห่วง หรือเสียใจตามเรื่องราวต่างๆของเขาครับเราก็ต้องฝึกสติฝึกใจให้มีสตินิปัญญาสนใจว่าให้ปล่อยวางทุงสิ่องทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิด้ดับคนเรามีจิตกี่ดวงครับนอกจิตผู้รู้ผู้ดูครับจิตยงเรียวแต่สามารถเปล่นไปเปลี่ยนมาได้ อยากซึมเร้ามันเป็นจิตแบบมานก็ได้มันเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่มันกระทบกับจิตเป็นจิตดวเดียวผู้ใหญ่ชอบไม่ให้เถียงบอกต้องฟังอย่างเดียวพอพูดชอบหาว่าเถียงจะทําอย่างไรดีครับอาจารย์ครับคือโดยมาญาติของทางคมไทยท า, ทางคอมพูดนี่เราเคารวะผู้ใหญ่ เมื่อผู้ใหญ่เขามีความรู้มากกว่าเราเมื่อผู้ใหญ่จะพูดลราก็ต้อมีหน้าที่ฟังไปเราเป็นผู้น้อยก่อนแล้วก็ฟังไปเราชอบและไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเถียงฟังไม่เชเื่อเฉยไปเขามีหน้าที่พูดเข้าไปเขาพูดไปเรามีหน้าที่ฟังเราฟังไปถ้าก็จบเราจะเชื่อไม่เชื่อกั็เป็นสิทธิของเราเราจะทำตามเขาหรือไม่ก็เป็นสิทธิของเรา สีนแปดข้อที่สี่ครับพระอาจารย์มีขอบเขต อ, อย่างไรบ้างครับโกหกนั่นก็โกหกนะครัพูดควจริงถ้าเป็นนักบวชก็ไม่พูดคำหยาไม่พูดเพื่อเจ้ไม่พูดชอบเสียนยุโยงให้พูดก็เกิดขา้ทาทะลาะวิวาทกันพูดคำหยาอันนี้ถ้าเป็นนักบวชนะนักบวชชีแล้วเป็นบวชพระนี่ก็เราต้องมีเพิ่มการพูดที่ละเอียดกว่า าไา้าไ ม, มีคนบอกป้าที่หมู่บ้านเป็นปอบครับแล้ววันนี้ป้าคนนั้นมาถามว่าหายป่วยยังหนูกลัวมากอ๋อทําไมเขารู้ว่าเราไม่สบายได้ครับ <laughs> <c oughs> อาจจะเป็นนั ง, งเลยญแค่ได้ก็าอาจจะบังเอิเห็นเราไม่สบายก็เลยมาถามนครับ <c oughs> คิดบ้างเปงนม่อะไรผีผีผีจริงไม่หลอกใช่ไหมครับอาจารย์ทำไมเวลาที่นั่งสมาธิสมองคิดไปเรื่อยครับทำอย่างไรที่จะให้อยู่กับสมาธิได้ครับอาจารย์ไม่ใช่สมองจิตคิดนะสมองคิดไม่ได้รจิตมันรู้คิดก็หยุดคอาคิดด้วยการใช้คำใบกันให้อยู่กับคําบกันพุทธโทพุทธโทไป นอนฟังเทศฟังธรรมและบทสวดมนต์ในท่านอนยกขาตั้งขึ้นทราบว่าไม่สมควรแต่รู้สึกเป็นท่าที่สบายในการฟังนี้ได้ไหมครับคือถ้าอยู่คนเดียวก็ได้ถ้าอยู่ในที่สาธารณะมก็ไม่เหมาะสมแสดงว่าเราไม่ให้คาราบกรลบกรบพระธรรมกรบสอยหลงพ่อเจ้าผู้ที่แสดงครับอยากทําอาชีพพ่อพันุ์ปลาสวยงามขายเป็นบาปไหมครับ ไม่คน ท, าทําอาชีพที่เกี่ยวกับชีวิตของผู้เราน่าจะไม่ได้ออกไปค่าแล้วเพมันเกี่ยกับการไปกัดขังก้อยอยู่ในตู้อย่างนคิดดูถ้าเราต้องถูกกัดขังไว้ในตู้บ้างเราจะรู้สึกอย่างไรถามตัวเองตัวนี้ดีกว่เวล า, เาทำอะไรถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไงอย่างที่มีคนผู้ื่อเอาใจเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ถ้าเราไม่สบายใจก็แสดงว่าเราไม่สบายใจเช่นเดียวกันเราก็อยากทํา การนำสุนัขไปทำหม่นผิดไหมครับไม่ผิดถ้าดวงวิญญาณออกจากร่างจิตผู้รู้จะเข้าใจว่ากายดับไหมครับดวงวิญญาณก็คือจิตนี่แหส่วนใหญ่จะไม่รู้ครับเพราะว่ามันเหมือนหลับไปเหมันตอนที่เรานอนหลับเราไม่รู้ว่าเราลั ทำบุญอาหารเพนพระห้ารูปพร้อมถวายสังฆทานกับการไปทำบุญที่โรงพยาบาลได้บุญต่างกันไหมครับถ้าปรมิมาณที่เราเสียสลัเท่า ก, กันก็เท่ากันเนื่นได้บุญต่างกันการที่เราจะถวายสังฆทานต้องจัดเครื่องสังฆทานกี่ชุดครับและจัดเป็นชุดเดียวได้ไหมครับคือวัดสมัยนี่มีแบบมันสอรูปแบบ ท่าจะรับเป็นชุดๆของใครของมันถ้าเรานิมนต์พระมาสี่ลูกเพราะการถอยสังฆทานนี้ต้องมีพระอย่างน้อยสี่ลูกไปถึงจะก็ุ๊องสงแถ้าเรานิมนต์มาสี่ลูปแล้วจัดชุดเดียวเดี๋ยวก็ตีกันจะเป็นของใครดีก็ต้องจัดสี่ชุดให้ให้ท่านของใครของมันไปแล้วถ้าเป็นวัดบ่าเนี่ยท่านถือว่าจะเข้ากล่องกลางองคมันหมด ต้องใกรกันหรืออะไรก็ไปหยิบกันยชุดเดียวก็ได้ชิ้นเดียวก็ได้แล้วแต่เราเพราะเราไม่ได้ถอยให้กับบุคคลเรถอยให้กับส่วนกลางนำสุนัขไปทําหมันผิดไหมครับครับเนอะคุณพ่อแม่หาว่าเป็นเด็กมีปัญหาครับพอโตแล้วเพิ่งเข้าใจว่าเขาคิดกับเราแบบนี้รู้สึกโกรธมากอย่างนี้ต้องคิดยังไงครับ ที่ว่าห้ามเขาไม่ได้เขาชี้ที่ไห้ามเขาไม่ได้ฟังธรรมหุ่งพ่อหน้านกุฏิเสร็จแล้วถวายผ้าตไตรจีวรโดยไม่ได้กล่าวคำถวายได้บุญเหมือนกันไหมครับเหมือนกันแล้ววั น, น, นพิธีพอชี้รลยนะกรรมเก่าในอดีตชาติสามารถเป็นตัวกำหนดชี้ชีวิตปัจจุบันด้ไหมครับ ก็มีส่วนถ้าเราใครกินเหล้าติดเหล้ามามันก็ยังมีมีส่วนที่จะทให้เรามาติดเล้าติดเหล้าในพ่งนี้ได้อยู่เวลาอนุโมทนาเงินทําบุญแล้วรู้สึกขนลุกคือแบบไหนครับเป็นคปิติไงเความชื่นชมยินดีครับสุ ข, มบบขสมไม่แปลขนลูกซาดึงอะไไปเลแล้วแต่ปิตินี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งทางโลกทางธรรม เวเห็นตลาที่ชอบก็คลิกขึ้นขึ้นมากม็มีขอบคุณพระอาจารย์ที่เมตตาสอนธรรมะที่ผ่านมาโยมได้น้อมนําคําสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัติทําให้มีสติและเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากครับและขอขอบพระคุณพระภด้วยครับสาวธ ง, งดี ใส่บาตรแล้วใส่ปัจจัยด้วยบาตรไหมครับต้องแยกเอกจากกันปัจจัยนี้พาดับกับเงิไม่ได้ต้องฝากให้ลูกศิษย์เขาเก็บเอาไว้การในทางปฏิบัติจริงๆบทีมันก็มันก็คนไม่รู้กันบางคน ก, ก็ไม่รู้ก็ใส่ไปในบาตรพระก็บอกให้ลูกศิษย์เก็บเอาไว้ก็ได้แต่โดยถ้าจะให้ถูกร้อเปอร์เซ็นต์เปรี้ยๆนี่ก็ต้องแยกออกไปในทางปฏิบัติบางทีมันเป็นไปไม่ได้ ในคน เ, าาเก็สายบาดก็ก็สายเลยนีก็ต้องเลยเติมเลยไปอย่าไปคิดมากเลยมันใช่เป็นเรื่องประเด็นทสำคัญประเด็นทสำคาญไม่ได้อยูที่ว่ารับแบบไห น, นประเดสนสำคัญอยู่ที่เอาไปใช้แบบไหนมากกว่าครับถ้าเอาไปใช้กิดให้เกิดคุณประโยชน์นี่ก็ก็ดีไปถ้าเอาไปใช้แล้วให้เกิดโทษครับพระเองก็ดีมันก็ไม่ไม่ก็ไม่ควรจะเอาไปไม่คนรรับดีกว่า ถ้าเอารับเงินแบบแล้วก็ไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นเช่นไม่ใช่เป็นของที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เอาไปเอาไปเล่นเกมเนะี้ซื้อโทรศัพท์มาซื้อมาเล่นเกมเยอะแยะแ ย, ะยะ่างเงี้ยถ้าใช้แบบนี้ก็มันก็รับเงินแบบนี้มาก็ไม่ไม่ดีเพป้าหมายของการให้ไงินก็สนับสนุนให้พระได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกอย่างสบายทั้งนี้เวลาไปต่างจังหวัดกับเพื่อน สามารถที่จะนอนสวดมนต์เบาๆทาวัดเย็นได้ไหมครับถ้ า, าไม่เป็นรบกวนกคนอื่งถ้ า, านอนนอนตั้งยาวออกเสีงยง เ, เพราะโดยการทําในประเพลนี้การสวดมนต์ไว้พระถ้าออกเสียงก็ต่อที่สาธ า, า, ารณะล้วก็ต้องอยู่ในที่อยู่ในท่าที่นิ่งสงบท่ า, ท, ท, าที่มีความเคารบอาจารย์ครับมีคุณธัญรัตน์บอกว่าได้ฟังสอนกธรรมของพระอาจารย์เพียงอาทิตย์ละครั้งรู้สึกสุขใจมาก ได้ฟังได้คิดได้พิจารณาตามได้ยิ้มไปด้วยหัวเราตามไปด้วยครับอาจารย์คทําสุดท้ายครับผมเป็นโรคประจําตัวต้องหาหมอตลอดจะมีวิธีคิดอย่างไรให้อยู่กับเขาได้ครับก็มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเหมือนกับมีเสี้ยมีฟ้าแล้วมีอะไรที่มันติดมากับร่างกายของเราึ้นอย่างนั้นก็แล้วกันแล้วกำจัดไม่ได้ก็ค้ำใจอยู่กับมันไป โอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนฟังอยู่ในเฟซ561คนนะครับในยู528ในคลับ8ในติ๊กตอก405รวม 1,502 คนครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา13นทีครับวันนี้พระอาจารย์ตอบไป126คำถามครับผมก็ยินดีกับทุกท่านที่มารล่าความทรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อย ่ารทำหน้าทามตลอดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านนำเาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทาง ย, ง, ยงยิ่งขึ้นไปเทอทูถ้ า, ข, าขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมทุกฝ่ายไว้เพลงทาง่านี้ถ้าไม่มีเหตุผลเข้าอันใดก็คงจะได้เพราะปณิเฉยเช่นเยในในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดินขอเจริญพร กราบขอบพระคุณพระอาจครับ